อาจารย์ครับการอมัต ก, การครับเจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมทูฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยหนึ่งนะครับอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อเช้าคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับอาจารย์ครับก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบคนเหมือนกันโอโ้วันนี้เยอะนะครับอาจารย์อก็ประมาณสี่ร้ยกว่าวันวันอาทิตย์นะอาทิตย์ครับ ตันบ่ายคนไปฟังธรรมเยอะไหมครับผมวันนี้ก็ประมาณร้อยสีสิบคนนะรวมกันก็ประมาณเก้าร้อยเก้าอยกว่าครับแต่วันศุกร์วันศุกร์คนหายไปเยอะอ๋อมีเหตุการณ์อะไรอ๋อวันศุกร์เกิดเหตุนะครับหายไปหายไปสามร้อยปกติจะแปดร้อยกว่าวันนั้นเหลือแค่ห้าร้อยกว่าโอ้พอดีช่วงกำลังแสดงธรรมพอดีคนได้ข่าวพอดี อ๋อแล้วแล้วพระอาจารย์ตรงนั้นมีมีรูปความรู้สึกแผ่นดินไหวไหมครับพระอาจ<พ>ารย์ครับไม่รู้เรื่องเลยไม่รูเรื่องเลยต อ, ตอนแสดงทําเสร็จญาณโยมก็มาขอากลับลาบท้องรีบกลับกรุเงเทพมีแผ่นดินไหวทำก็ไม่รู้ก็มีดึกถล่มเลย <c oughs> อผมก็ผมกว่าดว่าเป็นเรื่องแบบอุบัติเหตุที่เกิดตอนที่พ ร, รามสองอยู่เลยพก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องนั้นไม่ได้ทราบว่าเป็นเรื่องแผ่นดิน ไว้ใหญ่ที่ที่นี้ไม่มีไม่มีผลกระทบแตงได้ไม่มีครับลแล้วอยู่อาคารชั้นเดียวเนี่ยชั้นล่างผมอยู่พิษณุโลกนี่แรงมากเลยครับอาจารย์ครับเอ้ยังรับสัมผัสได้อยู่นะโอ้แรงครับเป็นนานด้วยครับไม่เคยไม่เคยรู้สึกขนาดนี้มาก่อนครับเป็นอยู่สักสามสี่นาทีครับนี่แรงๆเลยครับอาจารย์แต่ผมอยู่ตึกชั้นหนึ่งมันก็ อยู่ชั้นหนึ่งมันก็รู้สึกแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ตอนแรกไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ในกรุงเทพครับพ<ม>อดูครับโอ้โหตกใจก็ เ, เป็นปรากฏการณร้อยปีประมาณร้อยปีแต่คําคที่เกิดเป็นไว้ขนาดนี้ครับวันนี้ก็เลยทุกทีเวลาคุยเรื่องมรณาสติก็จะพูดถึงคนเป็นป่วยเรือรงังเตรียมใจเตรียมตัววันนี้แบบ เห็นเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าความตายไม่ได้ต้องเตรียมเลยนะครับอาจารย์ไม่มีดีมิตหมายมาบอกครับกขอบคุณอาจารย์ครับผมก็มันมีภัยรอบด้านุนะเราอยู่ในโลกของธาตุสี่ดินน้ําลมไฟธาตุสี่นี่เราเป็นตัวที่ทําให้เกิดภัยต่างๆแผ่นดินถล่มก็เรื่องของธาตุดินนะน้ําท่วมก็เรื่องของธาตุน้ําไฟไหม้ก็เรื่องของธาตุไฟพายุก็เรื่องของธาตุลม ถ้าเราอยู่ในโลกของธาตุสีมันก็ต้องเจอกับภัยต่างๆเหล่ า, านี้เด็กเลี้ยงไม่ได้มันบอกเป็นอนัตตาเป็นอนิจจ์เป็นปัจนการปฏิกริยาระหว่างธาตุทั้งสีน่นี่มันก็เลยทําให้เกิดมีเวลาที่มันไม่สมดุลมันก็เลยเกิดเกิดอาการอาภาษขึ้นมาเหมือนร่างกายของเราก็เหมือนกัน ก, ก็โลกเป็นที่หวงของธาตุาตทั้งสี่ พอถ้าทั้งสี่ไม่สมดุลกันเมื่อไหร่ก็เกิดการอาภาษณ์ขึ้นมามทันทีร่างกายก็ไม่สบายเจ็บไขได้ป่วยขึ้นมานี่แหละรลกทานเป็นอย่างนี้อยู่ภายใต้กอยของไตละ่ะอันนี้จงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะมัน ม, มีการเคลื่อนไหว ม, มันมีการปฏิกิริยาต่อกันและกันตลอดเวลาน้นดินไฟลมน้ำ ม, นมันมันเจอกันมันก็มีปฏิกิริยา เนไฟไปเจอที่น้ําทะเลก็ทําทให้น้ําในทะเลระเหยขึ้นมากลายเป็นกลายเป็นลมกลายเป็นพายุกลายเป็นเมฆฝนมันก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ที่ทุกขกรเพาะ อ, อยากจะไปให้มันทุกอย่างมันสงบมันไม่มีเหตุการณ์แต่โชงนี้บรรดาจะเกิดขึ้นดีถ้าไม่เกิดขึ้นทุกวันก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ้รับกับเหตุการณ์เราอยู่ในโลกธาตุอยู่ภายใต้อำนาจของธาตุสี่ธาตุสี่เขาเป็นเหมือนเป็นเจ้าของโลกนี้เขาสามารถทําให้เกิดน้ําท่วมได้เกิดไฟไหม้ได้เกิดแผ่นดินไหวได้เกิดพายุได้ดังนั้นเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจ ยอมรับกับความจริงอันนี้ใจเราควรจะไม่ทุกข์ที่ใจเราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเป็นปกติของโลกนี้เราพยายามฝึกใจเตรียมใจสอนาำให้ยอมรับกับปรากฏการณ์ต่างๆธรรมธรรมชาติให้ได้ถ้าทําใจให้นิง่งสงบเป็นเบิกาได้ก็จะ ใช้ได้เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆไม่เกิดความตนนื่นตระหกใจหวาดกลัวหรืออะไรอยู่เป็นปกติยามโยมบางคนบอกว่าต้องรีบมาทําบุญมาเช้าต้องมาทําบุญว่าเจอเจอปรากฏการณ์นี้จะจะไม่ไหวต้องรีบมาทําบุญมาทําให้ใจสบายเลาได้ทําทบุญแล้วใจสบายเดี๋ยเราต้องฝึกกัน ถ้าเราไม่อยากจะต้องมาทุกมาวุ่นวายมามาเดือดร้อนกับปรากฏการณ์างธรรมชาติที่มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้ขนเขาธรรมกายในโลกนี้ก็ต้องเจอเกับเหตุการณ์เหล่านี้ฝึกจิตทําจิตให้นื่งสงบเป็นสมาธิมีอุบรขาแล้วก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมา ตอนใจให้รู้ใจไม่ได้เป็นธาตุสีไม่ได้เป็นดินน้ำมันไปไม่ได้เป็นน้ำกายน้ง ก, กายมันก็เป็นธาตุสีมันก็จะต้องเคลื่อนซูนธาตุเดิมของมันวันได้วันหนึน่งใจผู้มาเขากองก็ต้องปล่อยวางไปใจเป็นธาตุรู้ก็ให้รู้ไปรู้เฉยเฉยไปใจก็ไม่ทุกงไม่เหนื่อยตอนเหมือนดิ พระพาเขาบอกว่าทําใจให้เป็นเหมือนกับหยดน้ำํำบนใบบัวทําให้ใจเป็นเหมือนใบบัวน้ําหยดน้ํามากระทบก็ไม่ซึมซาบเข้าหากันเป็นแต่สัมผัสรอบหนุกแล้วก็ปล่อยให้ผนผ่านไปแต่ถ้าใจยังมียึดมีติดอยู่กับท่าทั้งสี่อยู่ติดกับร่างกายอยู่มันก็จะเกิดปฏิกิริยาหวาดกลัวขึ้นมาเวลามีอะไรมากระทบกับ ความเป็นอยู่ของร่างกายแต่ถ้าฝึกจิตให้มีสมาธิมีอุเบกขาและมีปัญญาให้ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของโลกธาตุเรื่องขงธาตุสีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราไม่มีเขามีเพียงธาตุสีที่มันลอยมันอยู่ทำให้เกิดอาการ32ขึ้นมาแล้ววันหนึ่งอาการ32นี้ก็จะแยกหายไป วิทยาทั้งสี่นี้มารวมตัวกันแยกกันออกไปนี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตใจจะไม่ทุกข์แท้ใจยอมรับความจริงถ้าไม่เกิดความอยากไม่เกิดความอยากให้ไม่เกิดเหตุการณ์ต่างๆนี้ขึ้นมาไม่ฝึกจิตเพราะพยายามพิจารณาตายนั่งอยู่เรื่อยๆสองอย่างนี้ที่เราต้องการคือสติและปัญญา มีสติเราก็จะทํำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้มีปัญญาเราก็จะสอนใจให้ปล่อยวางให้ยอมรับกับความเป็นจริงความไม่แน่นอนของของท่านทั้งสี่ของโลกธานนี้เหตุการนี้มันก็เตือนสติได้เยอะเลยนะครับอนาะจารย์คนรีบไปทําบุญกันเลยใช่ไหมครับเอเพราะไม่รู้จะอะไรที่มีอยู่มันช่วยไม่ได้เนี่ยทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองอะไรต่างนี้ ไม่สา ม, มสารถทำให้ใจหายจากความหวาดกลัวได้ก็มีที่เพิ่ม อ, อย่างเดียวคือไปว่าเป็นเพิ่อบุญเพิ่อขอส่นวนสำหรัคนที่สำหรันคนที่ภาวนายังไม่เป็นก็ต้องอาศัยการทําบุญไปคนที่ภาวนาเป็นก็ไปนั่งสมาธิกันมากขึ้ น, นอนะไปที่เป็นัญญาปัญญาแนละ้วก็พยายามพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆถอนใจให้ยอมรับผลความเป็นจริง เพราะเราไม่มีตัวตนร่าใจายก็ไม่ใช่ตัวตนใจก็ไม่ใช่ตัวตนตัวตนเกิดจากความหลงสร้างขึ้นมาเป็นนิยายผู้เขียนนิยายความหลงนี่เป็นเหมือนผู้แต่งนิยายแต่ว่าละใจเป็นตัวตนใจเป็นผู้รู้ใจเป็นผู้คิดแต่มันไม่มีผู้รู้ผู้คิดนี้แต่ความคิดความรู้เป็นธรรมชาติของท่านรู้ คนสะสมบาดของด้านเูอะครับตอนนี้ก็ยังสงสารคนที่ติดอยู่ใต้ซากอยู่เลยครับอาจารย์ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตกันอยู่บ้างไหมนี่ครับก็ไม่อยากิจารณาว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราพิดไปมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับถ้ารอดก็ดีถ้าไม่ลอมันต้องถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นกับร่างกาย อาจารย์ครับมีคนถามเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมานี้ทําให้คิดถึงคำว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงถ้าเราตายตอนตื่นตะหนกตกใจแบบขีดสุดเช่นแผ่นดินไหวแบบนี้เราจะสามารถไปสวรรค์ได้ไหมครับเพราะก่อนตายคงนึกอะไรไม่ทันครับ อ, อ๋อได้อยู่ถ้าเราทําบุญไหว้มากก็ทําบาปนะแต่ตอนตายเราอาจจะตายแบบทุกท ร, รมานเพราะว่าทําไม่มีสติควบคุมใจให้นิ่งให้สงบให้เฉย แตพ่พอตายพว๊บดูงัญญาณก็จถูกกดแห่งกรรมมาทำหน้าที่คือบุญกับบาปที่เราสะสมไว้ในใจนี้มันก็จะเป็นผู้ที่จะมาดึงเราไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญที่เราทําไว้มากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบาปที่เราทําไว้มากกว่าบุญมันก็จะดึงเอาไปอบายมันไม่เกี่ยวกับตอนตายว่าตายสงบหรืตอตายไม่สงบแต่ส่นใหญ่ถ้ามีบุญก็มักจะตายอย่างสงบ ม, มากกว่าถ้า เรื่องการตกใจนี่แสดาว่าบุญน้อยถ้าเป็นพ้าอะไรนี่ท่านเฉยนี่ผ้าสวดนาบันขึ้นไปนี่ท่านเฉยถ้าไม่เดือดร้อนพราท่านฝึกซ้อมมาจนก็ถ้าปล่อยวางร่างกายได้แล้วพอถึงเวลาร่างกายตายไปท่านก็สัตย์แต่ว่ารูไปเมื่อก่อนสวดมนต์ทุกคืนครับใส่บาตรทุกวันความรู้สึกชีวิตจะมีสิ่งดีๆมีเงินเข้ามา พระอาจารย์คิดว่ามันเกี่ยวกันไหมครับมันเป็นผลพลอยได้หรืออาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะมันมีเหตุมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่จะทำให้เรารวยขึ้นหรือจนลงได้มันได้อยู่ที่กดแห่งกรรมเพียงเดียวทําคนทำเชื่อแล้วร่ำรวยกันก็มีเยอะแยะใช่ไหมคนทํำมีแล้วก็รวยก็มีเหมือนกันเพรดังนั้นเราไม่สามารถที่จะอ้างบุญหรืออ้างบาปได้มาเป็นตัวที่จะ เป็นเหตุที่จะทำให้รดยและจนมากขึ้นหรือมากลงไปแต่ดวบุญนี่จะทำให้ใจสงใจสมบเย็นสบายดวบาปนี่ทำให้ใ จ, ใ จ, ท, ใใจทุกใจร้อนใจวุน่วนวายอันนี้แน่นอ น, อนคือเรื่องของบุญของบาปนี้มันผลกระทบโดยตรงก็คือใจไม่ใช่ร่างกายหรือราภยศเสรเสริญที่ร่างกายหามาได้อันนี้มันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่น เข้้ามากี่ยววยววอดคุณพลอยบอกว่าโดนโกงไปหกล้านแม่เส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพรันตอนนี้ยังนอนอยู่โรงพยาบาลโกงเสียชีวิตระหองแรงกับเพื่อนชายคนสนิทช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาชีวิตหนักมากขอคำสอนดีๆให้ใจสงบด้วยครับอาจารย์ครับก็เ น, นี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาอานิจจังนีย มันทุกอย่างมีการเกิดแล้วก็มีการดับมีการเจริญแล้วก็มีการเสือ่อมอนั้นตามไม่มีใครไปห้ามไปบงังคับมัน ไ, ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่เสือ่อมใจก็จะทุกข์ขึ้นมาแล้าใจนี้มีความอยากให้เสือ่อมยอมรับความจรงิงมันจะเสือ่อมและยอมรับว่ามันเสือ่อมอะไรจะเกิดก็ยอมรับตามความเป็นจรงิงใจก็จะไม่ทุกข์ดังนี้ให้ทําใจยอมรับความจรงิงแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปจัดการ ไปบังคับมนะันไปเปลีป่ยนแปลงได้อยอมรับความจริงน้ําใจเราก็จะสงบอันนี้ด้วยปัญญาถ้ายังคิดทางปัญญาไม่ได้จใจใจสมองก็ส่วนมรนไปเรื่อยๆเป็นบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆ อ, อย่าจับอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พอไม่คิดถึงมันได้ ใ, ใจก็จะสงบอาจารย์ครับเวลามีเรื่องอย่างนี้แล้วบางทีเวลาคิดด้วยปัญญาเนี่ยมันก็รู้สึก มันก็รู้สึกสงบแต่มันสงบเป็นพักๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าทําสมาธิครับอาจารย์ใช่ถ้าเราเนี่มีปัญญาเราสามารถพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลได้มันก็จะดีกว่าสมาธิสงบแต่สงบมากกว่าแล้วยั่งยืนกว่าเพราะมันเข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วมันก็จะไม่กลับมาวุ่นวายกับเรื่องไม่ต่อไปแต่ถ้าใช้สติพอเราหยุดคิดถึงเรื่องนี้ได้ความใจก็สงบได้ชัว่วคราว แต่พอไม่ได้ใช้สติพอมาคิดถึงเรื่องนี้อ่ะก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่ได้เพราะสติเพียงแต่กดกดกิเลสไว้กดความทุกข์ไว้แคนั้นเองแต่ปัญญานี้ไปถอนหน้าถอนคนของกิเลสของความทุกข์ก็คือโมหะความหลงความที่ไม่เห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของตายละไปเห็นว่าเป็นโลกของสัตว์ชุมบุคคลมีคนมีอะไรที่จะมาดําเนิ น, น, นชีวิตครอบครุม ควบคุมเหตุการณ์ต่างๆมในชีไม่ขมตนได้ถ้ามีความคิดอย่างนี้มันก็มันก็จะหลงมันก็จะไม่ยอมรับความจริงยังต้องพยายามต่อสู้ต่อต้านหาวิธีป้องกันให้ได้ในตอนนี้นริคิดกันแล้วใช่ไหมว่าระบบเตือนภัยเป็ยังงช้าไปหรือเปล่าพวกนี้ไม่ยอมรับอันนี้ดังทุกขานาตา อย่างบี้เราจะบบระบบผิดระบบมันก็ห้ามไม่ได้มันจะมันจะตายมันก็ตายเหมือนกันแหละ <c oughs> ใช่ไหมมีคําถามบอกว่าหนูดูแลคุณแม่ตามที่พระอาจารย์ไมตาสอนให้ให้ดูแลท่านให้ดีที่สุดไม่มีแม่ไม่มีเ ร, เราแม่เป็นเจ้าของชีวิตจะทําอะไรกับท่านถามท่านก่อนแม่ไม่ขอรับการรักษาทางการแพทย์ใดๆที่ทําให้เจ็บปวดทรมานไม่ขอยื้อชีวิต แม่ไม่ได้กลัวตายขออยู่สบายตายสงบที่บ้านหนูดูแลท่านแบบประครับประคองอยากทําอะไรทําอยากกินก็กินอยากไปไหนก็พาไปปล่อยร่างกายท่านให้เป็นธรรมชาติที่สุดให้ท่านสบายที่สุดตอนนี้ท่านเข้าสู่ระยะสุดท้ายใจหนูเริ่มแขว่งพุโทโธเอาไม่อยู่วันไหนสติดีนึกถึงคําสอนหลวงพ่อได้ทันก็ไม่ทุก์วันไหนจิตหดหู่คิดโน้นนี่นั่นมากมายก็ทุกนึกถึงวันที่ท่านจะเดินทางไกลาจากเราไปจริงๆ ธรรมะเรื่องการผัดภาาการพิจารณาความตายการเตรียมตัวตายของหลวงพ่อเมตตาสอนมาเยอะมากมายหนูทำได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกับเหมือนก็ยังทุกข์ลึกๆอยู่วันนี้มากราบขอกำลังใจพระอาจารย์ครับต้องฝึกสติสมาธิให้มากใจเราขาดอุมเมบกขาปัญญาเราพอจะรู้ผลจะเข้าใจแต่ไม่มีกำลังที่จะทำตามปัญญาสอนก็คือปล่อยวาง ถ้่ท่านมีสมาธิมีอุเบกขาก็จะสามารถทําตามที่ปัญญาสอนได้พยายามทำทั้งสองอย่างสลับกันทําสมาธิเอาอจากสมาธิกับสอนใจว่าทุกอย่างเป็ในอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครไปควบคุ ม, มครับนี่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดายอมรับมันไปเถิดอย่าไปฝืนอย่างที่บอกคอยพูดอยู่ให้ใช้สูตรสามยอมยอมหยุดแล้วก็ใจก็จะเย็น ย่มรับความจริงหยุดต่อต้านความจริงพอหยุดน้าใจเราก็จะเย็นสูตรนี้ได้ใช้เป็นประจำเลยครับอาจารย์ครับใช้ได้ดีนะใจเย็นสบายเลยครับใค ร, ครอยากจะใหญ่ก็ใหญ่ไปใครอยากจะแซงซ้ายปาดหน้าปัดเขาปล่อยก็ททำไปไปล่อยของเราเรื่อยๆ อาจารย์ครับของไหว้เชงเมงเอามาใส่บาตรได้ไหมครับถ้าไม่บูดไม่น่าว่าได้ใช่ไหมขอให้ากินแล้วไม่เจ็บใข้ได้ป่วยก็แล้วกันไม่ไม่ทําคัญว่ามาจากแหล่งไหนที่ไหนแม้กระทั่งของที่ไปขโมยมาจะเอามาใส่บาตรก็ได้อแต่เราจะได้ทั้งบาตรได้ทั้งบุญครับ <c oughs> แต่ถ้าของที่ไหว้ี่เป็นของเราเราเอามาใส่บาตรได้หรือว่า เพราะการไปทำเจิงม่งนี่เป็นการเหมือนกัเป็นเรื่องบัตรนั่นนะไม่มีอะไรหรอกเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งเพื่อทำให้แสดงถึงความรักความอาลรยเอาไว้ถึงผู้ตายถ้าอยากให้ผู้ตายได้รับประโยชน์ควรจะเอาของนี่ไปทำบุญใส่บาตรแล้วอุทิศบุญให้กับผู้ตายได้อยู่ถ้าผู้ตายรอรับบุญก็จะได้รับบุญส่วนนี้ไปวันนี้ผมก็ไปมาเชิงม่งหนึ่งครับอาจารย์ <laughs> ที่ปิศาจโลกนะไปที่สมุทรสาครครับอาจารย์ขับมาไกลนะครับแล้วก็กลับมาพิศาจโลกครับโอเดินทางบินบินไปบินมาใช่ครับเดี๋ยวพวกนี้ก็บินไปกรุงเทพใหม่ครับโจะแก้ไขความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองได้อย่างไรได้บ้างครับก็เพราะว่าใจเรามันไม่มีความ สงบไม่มีความสุขในตัวมันก็เลยเม้าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองยืงจะสร้างสร้างความสุขให้กับตนเองเลยก็มีระดับสามระดับที่พระเจ้าสอนให้เราสร้างคุณค่าทําทานเนี่ยเวลาเราทำเราทําทานเราช่วยเหลืสอส่งเคราะห์คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากนมันจะทําให้เราสึกว่าเรามีคุณค่าสําหรับเขานะไปไหนคือมีคนจะวิ่งเข้ามาหาเราทันทีเพราะว่าเรามีคุณค่านะเพราะเราช่วยเหลือเขาเ ทำบุญทำทานนี่คือจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเรามีความสุขใจจากการทำบุญช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่าแ ล, แ, ล แ, ลแล้วเราเห็นว่าคนอื่นก็รับมาเพิ่งเราและต้องอาศาัยเราอันี้ไม่ใช่คุณค่าใช่ไหมนอกจากนั้นยังไม่ดีก็าจะรักเราเคารพเราขึ้นมาด้วยก็ได้เราก็มีคุณค่าขึ้นมาข้อที่สองการักษาสิ่ง การที่เราไม่รักษาศีลแล้วก็มีคุณค่าเขาไม่จับเราเข้าไปขังในคุกในตลาดปลอดภัยนะคนที่ถูกจับอคุกเดือดตลาดนี่เขาถือว่าไม่มีคุณค่าต่อสังคมมีพิษมีภัยต่อสังคมถ้าปล่อยให้อยู่นอกคุกนอกตลาดเดี๋ยวก็ไปสร้างสร้างโทษสร้างอันตรายให้กับคนอื่นเขาก็เลยต้องจับคนเหล่านี้ไปขังคุกขังตลาดถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะรักษากฎหมายได้ เราลักษากฎหมายได้ไม่ทําผิดกฎหมายก็ไม่มีใครจับแล้วก็ไปขําให้คุบเพราะอยัางเรามีคุณค่าเพให้เราอยู่ในสังคมทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมดีกว่าแล้วคุณค่าระดับที่สามก็คือฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจเราสงบเราจะเกิดความสุขขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ใจไม่เคยเห็นกับความสุขที่เกิดที่เคยมาสัมผัสก่อนเลยนั่นจะน่าเป็นคุณค่าของชีวิตเรา ความสุขควมิเศษนี่อยู่ที่ตัวเรานี้เองลดแห่งธรรมชนะรถทางปวงนัตถิสันติปราลังสุขขงังสมอื่นในเลกนี้ไม่มีความไม่เสบอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสมงบนี่แหละคือการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเราด้วยการทําทําตามกําลังของเราทําทานได้ก็ทําไปรักษาศีลได้ก็รักษาไปภาวนานได้ก็ภาวนานไป คุณธนิยาครับบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์เพิ่งเตือนเรื่องให้ฝึกมีสติอยู่เสมอพะเกิดแผ่นนินไหวแบบนี้ก็ตั้งสติยากพอสมควรครับยังยังไม่ยังอย่า ง, ง, ง, งพระเจ้าบอกยังประมาณอยู่พระเจ้าบอกแต่ต้องมีสติทุกลมหายใจเข้าหายใจเข้าก็ เ, เดี๋ยวแผ่นดินไหวหายใจเอกก็แผ่นนินไหว เหตุการณ์ผนินไหวครั้งนี้นะครับบอกว่าคิดถึงแต่ตัวเองเอาตัวรอดทําไมถึงไม่คิดห่วงใครเลยในเวลานั้นครับอาจารย์พราเราละตัวเรามากกว่าใครทั้งหมดในเรนื่อนี้ใช่ไหมครมเราจะตั้งจิตให้ตั้งรับกับภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นมาอีกอย่างไรครับก็เนี่แหละก็ด้วยสติด้วยปัญญาสองอย่างสติกบับยาณฝึกจิตให้แ่งให้สงบ ให้หวางเฉยให้มากที่สุดท่าี่จะทำได้ในเวลาไม่ได้ฝึกสติน ไ, ไม่ได้นั่งสมาธิก็พยายามเตือนใจว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอนความตายไม่เห็นประสบภัยต่างๆนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีคําว่าออกไปนอกบ้านนี้ไม่รู้จะกลับมาบ้านแล้วจะไปโรงพยาบาลต่อก็ไม่รู้เมื่อกี้ก็วันนี้ก็ตามบ่ายก็มีสญาญโยมคนยัเงเอาปัจจัยมีคนสรบมาถวายเขามาพังเทสเป็นประจำ อันนี้เขาไปประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานล้มทําให้หมาเขาเลอดหลเขาที่ต้องไปผ่าตัดหมาความเทศทําทําไม่ได้แล้วเอาไปออกกำลังกายขี่จักรยานแทนที่จะกลับบ้านเนี่ยปลอดภัยกลับต้องมาอยู่โรงพยาบาลแทนไม่มีใครคาดคิดถึงเรื่องราวนี้แต่มันก็เกิดขึ้นได้สเสมอส่วนนึ่อาจจะอยู่ที่ความไม่ไมีสติพออาจจะไม่ไม่ทันกับเหตุการณ์ขี่ไปใจอาจจะ อาจจะคุยโทรศัพท์ทางมือถือเนื่ออะไรไปหรือฟังเพลงไปบางทีชอบทําอย่างนี้กันใช่ไหมขี่ยานยนต์หรา ก, กํลาลังกายไปก็มีหูฟังบางนี้ก็คุยโทรศัพท์บางทีก็ฟังนู่นฟังนี่ไม่มีสติกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นพอมีอะไรก็ทันหันก็ปรับตัวไม่ทันแก้ไขไม่ทัน ทำอย่างไรถึงจะผ่านอุปจารสมาธิได้ครับคืออุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิพิเศษที่คนเราเข้ายากไปไม่ถึงหรอกส่วนใหญ่เราจะได้แค่คันนิกะหรืออัปปนาสมาธิออุปจารสมาธินี้เป็นสมาธิพิเศษที่ต้องเกิดจากหลังจากที่ได้อัปปนาสมาธิก่อนมาถึงจะเข้าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเป็นสมาธิที่ทําให้เกิดมี เล็บเด็กต่างๆมีตาที่ผูทิพย์มีความสามารถรับรสชาติได้ติดต่อกับกายทิพย์เทวดาได้น้องหผนอะไรได้ต่างๆเหล่านี้มันเป็นมันเป็นสมาธิพิเศษแต่ไม่เป็นสมาธิที่ไม่มีคุณประโยชน์ต่อจิตใจตรงที่ไม่สามารถเอามาใช้ทําให้สู้กับกิเลสได้เพราะไม่มีอุเบกขาไม่ได้ทําให้ใจนิ่งเฉยได้ยังไม่ต้องกังวลแต่ถ้าถ้าถ้ า, ถาได้อบรมปราชญก็ควรจะ ดึงกลับมาให้อยู่นิ่งๆเฉยๆอย่าปล่อยให้ออกไปรับู้กกับเหตุการณ์ทั้งในโลกทิ้งให้ดึงกลับมาใช้สติดึงกลับมาให้หนิ่งเฉยๆให้อยู่ในฌานลูกฌานสี่คุณยายพายี่มดตายแล้วแต่คุณยายตามองไม่เห็นหมดก็เลยปัดมดไปแล้วมดตายครับอย่างนี้เป็นบาปไหมครับถ้าไม่มีเจตนาไม่บาป การนั่งสมาธิแล้วหลับไปจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปแต่ไม่ได้บุญไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความสงบจากสมาธิต้องผ่าตัดโรคเยื่อจมูกอักเสบโดยเอากระดูกและเนื้อเยื่อออกบางส่วนผมมีความกลัวการผ่าตัดและวิตกกังวลว่าหลังผ่าตัดจะไม่หายคำถามคือจะแก้ความกลัวและความวิตกกังวลได้อย่างไรครับ ก็ต้องยอมรับความจริงนว่าอาจจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้มันม่จะหายกลัวแล้วก็ตัดสินใจเอาเอง ย, ย่าอย่างไงดีถ้าไม่ยอยามรบับผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปทํามันแต่ไม่ทํามันมันก็มีผลของมันอยู่ในตัวเราก็ต้องชั่งน้ําหนักดูระหว่างทํากับไม่ทําอย่างไหนมันจะได้ผลดีกว่ากันมีโอกาสที่จะได้ผลดีกว่ากันก็เหมือนเหมือนแทงหวยจะเอาเบอนี้ดีแล้วก็เอาเอร์นั้นดีไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกมา บอร์ไหนจะออกมาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็าใส่สถิติว่าส่วนใหญ่ไปหาหมอหมอรักษามักจะหายดีกว่ไม่ไปรักษาก็เรางอาศัยสถิติแต่อาจจะเป็นกรรมของเราอาจเป็นความซวยของเราว่าเราเป็นคนไปรักษาแล้วกลับไม่หายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอนิจจังเาอยู่ภายใต้กฎอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอนถ้าต้องคิดอย่างนี้แนละ้วมันก็จะายกลัว ไปสอยไข่มดแดงบาปหมครับถ้าเรามากินมาทำงานชีวิตมาไม่สร้างไข่ไม่นอคงจะเป็นสมบัติของมนะุษยก็ไปเอาขโมยทรัพย์ของมนุษมาก็บาปอย่างน้อยก็บาปบาปจากการลักทรัพย์แต่จะบาปถึงกับขั้นฆ่าสัตว์แล้วมันก็อยู่ที่ว่ามดไข่หนันนมมีชีวิตหรือเปล่าถ้ามีตัวมันก็บาปสองก่าถง ทำไมทำอะไรถึงมีแต่อุปสรรคครับแม้แต่นั่งสมาธิเพราะเราไม่มองแต่อุปสรรคเนี่ยเวลาที่เราทํานั้นมีอุปสรรคก็มีเยอะแยะไปแง่เราจะมาอยู่จนถึงวันที่ได้อย่างไรเรามีความสำเร็เยอะแยะมากของอุปสรรคแต่พอมีอุปสรรคข้อสอข้อมันกลายเป็นจุดเด่นขึ้นมาทันทีเพราะใจเราไม่ชอบอุปสรรคเท่านั้นเองฉะนั้นให้มีความเสมอภาคมากเราไปทบทวนดูว่าอุปสรรคที่เรามีกับ กับเหตุการณที่ไม่ใช่เป็นอุปรสรรคที่ยัางไรมีมากกว่ากันเป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีได้มีเสียเป็นธรรมดาอย่างที่พระเจ้าบอกโลกธรรมมันมีจะได้มีเสื่อมเป็นธรรมดาบางทีก็ได้ทัพย์บางทีก็เสียซย์บางทีก็ได้ยากบางทีก็ได้ง่ายอย่างนี้มันต้องให้คิดอย่างนี้หน้ามันก็จะได้เบาใจได้อีกส่วน น, นึ่งก็จะเกิดที่ความสามารถของเราก็ได้อันนี้ อาจจะแก้ไขได้ตรงนี้ความสามารถของเราอาจจะมีน้อยเลยทําให้เราไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้คนอางคนก็มีความสามารถมากกว่าเขาก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดายถ้าอย่างน้นเราก็ต้องประรสานประสิทธิภาพของเราให้มีมากขึ้นแถมสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้มีมากขึ้น วันที่เกิดผนินไหวยอยู่ที่เซนทรัลครับบอกว่าเห็นสัจธรรมว่าการเอาชีวิตรอดทุกคนไม่ยอมมองคนรอบข้างเลยครับใช่ทุกคนก็มีเหตุการณ์มาเล่าบางนคนก็คิดถึงว่าถ้าเราตายไปแล้วทรัพย์สมบัติของเราใครจะเอาไปวะก็มรมบคิดได้ว่าในนาประการเขาไม่รู้จะตายจริงไม่จริงวันนั้นมันเป็นไม่ได้ทั้งสองทาง ช่งนั้นน่ะถ้าใจะจะเป็นโสดาบันเนี่ยจะได้เป็นโสดาบันก็ได้ถ้าเราพิจารณาปฏิบัติมาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องตายวันใดวันหนึ่งนี่เราก็เจอข้อสอบนะถ้าเรายอมตายแล้วใจเราเฉยเยน็นสบายไม่เดือนร้อนถ้าเรายอมหยุดเย็นได้กับเหตุการณ์อย่างนั้นเราก็อาจจะเป็นโสดาบันขึ้นมาก็ได้นลังจากนั้นนะเราก็จะไม่โผล่ความตายต่อไป ถ้าเรายอมตายเพียงครั้งเดียวยอมตายอย่างจริงจังนะเพราะเหตุการณ์จริงจังมันท้าทายต่อความความตายอยู่แล้วความเป็นความตายอยู่แล้วถ้าเราพิจารณาว่าร่ามกายมันไม่เที่ยงหรือว่ามันต้องตายวันตายมันอย่างนัง้ถึงวันนี้มันจะตายก็ยอมให้มันตายไปทำนี้ได้ใจยันดิ่งเข้าสู่ความสงบเลยทานี้ตื่นเต้นตระหนกตนกใจหวาดกลัวกับเฉยสบายยิ้มปล่อย ใ, ใจไนดะ้ แสดงว่าความตายอยู่กับเราแค่เอื้อมเองหรือครับหยุดที่ปลายจมู ก, นะกเนี่ยคุณเชาบอกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วหายใจออกก็ไม่หายใจเข้าก็ตายแต่เราไม่พิจารณาเราเลยคิดว่าออมันอยู่นูน่นอยู่ยี่สิบปีสาสิบปีทําังไงจะเกิดขึ้นวันนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้ทําสมาธิจะทําให้เราห่างออกจากคนพาลได้ไหมครับ ส่วนหนึ me. mejorar, ่งก็ได้เพราะว่าเราจะถ้าเรามีความสงบแล้วรับความสงบอยู่คนเราจะย่อมอยู่คนเดียวเราก็จะไม่ค่อยไปคุกคีไปไปเกี่ยวข้องกับใครอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยจะไปเจอใครมาบวชเป็นพระแล้วไม่ต้องไปเจอคนพานเท่าไหร่เรามาบวชด้วยเลยถ้าบวชเป็นพระได้ถ้ามีความสงบอยู่กับการอยู่อยู่คนเดียวได้มันก็จะโอกาสที่จะเจอคนพานลมอนกันน้อยมากแต่ก็จะอาจจะมีเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าก็ได้ แมนมาบวชแล้วคนที่มาบวชด้วยกันเป็นคู่เว็คู่กรรมกันมันก็มีเหมือนกันนะบางที้ <c oughs> <c oughs> เป็นกรรมันตามมาได้นะครับ <c oughs> อันนี้เราไม่หนี้นะเราอยากเปนหนีแต่ น, นี้พูดในมาถึงว่าการบวชเป็นพระนี่โอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับคนมันน้อยมากคุณปรางครับวันที่หนู่และครอบครัวไปฟังธรรมพระอาจารย์มันสุกที่ยี่สิบแปดนั้นเป็นวันเกิด พวกเราไปฟังธรรมเพิ่มปัญญาพอทราบข่าวผนิตใหม่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาเช่นกันชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนสะสมทรับไว้เหมือนแบกทุกเร่งปฏิบัติไม่มาเกิดเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดครับก็ดีใจเนื่อที่มีโอกาสได้พิจารณาทำกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอนไม่หลับเลยนอนสมาธิพอสักพักแล้วหลับไปอย่างนี้ได้บุญไหมครับ ไม่ได้บุญแต่ได้ไ ด, ได้ได้นอนหลับก็เป็นความสุขทางล่างทางร่างกายได้พักผ่อนเดียวกับเครียดแล้วนอนไม่หลับแล้วไม่ต้องใช้ยายานอนหลับด้วยการฝึกสมาธินี่ก็สามารถใช้เป็นยานอนหลับได้คุณแคทครับกลัวเรื่องภัยพิบัติน้ําท่วมทําให้ทรัพย์สินบ้านเสียหายไม่มีราคาเป็นห่วงสมบัติคิดยังไงดีครับถึงจะไม่กังวลล่วงหน้าไปตลอดครับ ก็เรามองคนที่ย้อนหนังในคนนะที่อยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนนี้เขามีอะไรที่เขาต้องมีไห้เขาสูญเสียไปหมดทั้งชีวิตของเขาทั้งของคนที่เขารู้จักทั้งทรัพสมบัติเก้าของเงินทองตอนที่กรุงศรีกลายเป็นอะไรไปก็เป็นซากปรักหักพังไปคนที่อยู่ในยุคนั้นก็กลายไป็ขี้เท่าขี้ถานไปหมดเราก็เหมือนกันนะอีร้อยปีเราจะอยู่เราจะอยู่ถึงร้อยปีหรือเปล่าทรัพสมบัติเก้าของเงินทองที่เรามีอยู่นี้มันจะอยู่ กับเราไ ป, 100ปร้อยปีหรือเปล่ามันไม่อยู่หรอมันไปหมดไอ้คิดอย่างนี้น้ามันจะได้หากรกามวน่ะความเจ็บปวดจากการป่วยสามารถจะระงับด้วยวิธีใดทางพระอริยะครับคือความเจ็บปวดนี้มันมักจะเกิดขึ้นสองชั้นด้วยกันเจ็บร่างกายแล้วมาเจ็บทางใจด้วยเพราะใจไม่อยากจะให้ร่างกายเจ็บอยากให้ร่างกายหาย ก็เลยเกิดความทุกข์ในใจขึ้นมาอีกชั้นห น, นึ่งการปฏิบัตินี้เราสามารถรับทุกทุกทางใจได้ทุกทางใจเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่ไม่เจ็บไข้ในป่วยอยากให้ร่างกายหายเร็วๆหายทันทีพอมันไม่เป็นไปลายดความอยากใจก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่อยากจะให้ใจทุกข์ก็ต้องสอนใจให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีเจ็บเป็นธรรมดา แ้วเราก็ห้ามันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปถ้าอยอมรับเราก็จะเป็นทุกข์เราก็ดับความทุกข์ทางใจนะได้ซึ่งความทุกข์ทางใจนี้มีน้ําหนักมากกว่าความทุกข์ทางร่างกายหลายเท่าด้วยกันพอความทุกข์ทางใจหายไปนี้ความทุกข์ทางร่างการรู้สึกนิดเดียววันนี้กลัวหมอฉีดยาะกลัวหมอเอาไปฉีดจริงๆว่ามันไม่กระทํา น, นั่นเองหาหมอฟันกลัวหมอจะฉีดยาชาให้กลัว พอพ อ, พอดูจริงๆมันกเหมือนกับมดกัดนะเข็มมันทิ่มมานนียเดียวแต่ความกลัวของใจนี่มันดุร ง, งางกว่าความเจ็บของร่างกายพอเราทำใจเฉยๆเจ็บก็เจ็บทางร่างกายยอมเจ็บเท่านั้นมันก็หายกลัวความทุกข์ทางใจก็หายไปการนั่งสมาธิตั้งเวลาหนึ่งชั่วโมงแปลกใจจะถามว่าสมาธิออกพร้อมเวลานาฬิกาที่ตั้งปลุกไว้ ครับมันก็เป็นนิสยัยพอเราทำอะไรมันเป็นนิสัยกันมาพอถึงเวลามันก็จะหยุดมดตัวเล็กๆ เ, เต็มโต๊ะอาหารไม่อยากจะบาปจะต้องทำอย่างไรครับก็ยกโต๊ะไปพ้างนากแล้วก็ปัดมันไล่มดไปแล้วพาดกลับเข้ามาบ้านะถ้าทำได้ ถ้าทำไม่ได้ก็กวาดมันแล้วก็หาภาชนะอะไรใส่มันแล้วก็ไปปล่อยข้างนอกบ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นเจอบ่อยครับหนักสุดปี2011คือต้องตั้งสติดูคนรอบข้างด้วยเขานิ่งมากยังไม่หนีรอฟังข่าวจาก NHK อย่างเดียวแล้วค่อยเดินกลับบ้านใช้เวลา8ชั่วโมงเดินเดินจนรงเท้าหัวเปิดยังดีมีน้ำติดกระเป๋าอ่อนี่เล้าใหฟังครับ มันมีขุดช่องเขามีเหตุการณ์นี้บ่อยก็เลยถูกซ้อมถูกฝึกมาใช่ก็เหมือนนี่และเราท่านเราเตรียมตัวเตรียมใจพิจารณาเรื่องความตายอยู่เลยพอใกล้ความตายเราก็จะเฉยได้คนมีทุกข์เท่านั้นหรือเปล่าครับที่สนใจธรรมะครับก็ส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่าธรรมะไม่เหมือนกับโรงพยาบาลมันเหมือนอยารักษาความทุกข์ใจ แต่บางคนมีข่าวทุกข์ก็ไม่ครับเ ข, า, เขาหาธรรมะก็มีเยอะเข้าหาเหล้าบ้างเข้าหาการพนันบ้างเข้าหาอบายอย่างกว้างวิธีดับความทุกข์มันมีหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ถูกต้องที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการเข้าหาธรรมะแตคนที่ทุกนี้มางทีก็ก็ไปหาอาบายอย่างกวา ม, มาเป็นเครื่องดับความทุกข์กัน ใ, น, ในใจไม่สบายก็ไปเที่ยวกันไปเดื่มโซรายามากันไปเล่นการทํางานกัน มันก็เลยทาให้เรื่ความทุกข์ไปได้ชั่วคราวแพอกลับมาพอ ค, คิดถึงเรื่องที่ทําให้ทุกข์ก็ความทุกข์ก็กลาบมาใหม่มาตาบอดแล้วเขาเจ็บปวดถ้าไปผ่าตัดควักตาเขาออกอย่างนี้เป็นบาปไหมครับก็ขึ้นอยู่กับหมอ ว, ว่ามันจําเป็นจะน่าออกหรือเปล่าถ้าปล่อยไว้แล้วมันก็ทําให้เขาเสียชีวิต อย่ที่พเจ้าสอนว่าให้สละดเอาไว้ยาวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละดทรัพเพื่อรักษาไวัยาวะให้สละดเอาวัยวา ว, ยวะเพื่อรักษาชีวิตให้เสาะฉลาชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมก็ ค, คือความสงบของใจถ้าต้องตายก็ยอมตายเพื่อรักษาใจไม่ให้เต้นต้นตกเต้นเต้นตกใจก็ต้องยอมยอมให้น้ำกายตายไง คุณทีคาทนาครับโยมมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดามองเห็นเป็นธรรมชาติเขาสอนเราให้เห็นความจริงของชีวิตเหมือนเขาสอนให้เรายอมรับความจริงแบบนี้จิตโยมคิดถูกต้องไหมครับถูกต้องแล้วที่เราศึกษาตายรักก็ศึกษาความจริงของธรรมชาติเนี่ยของสิ่งต่างๆที่เราอยู่ด้วยในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักหมด ตอนนั่งสมาธิแล้วเกิดความว่างแล้วชอบไปเห็นวิมานแก้วครับก็ยังไม่สงบจริงว่าคนจะทําสมาธิต่ออย่าไม่สนใจกับสิ่งที่เราประกอนให้มาที่ประกอนให้เราเห็นถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปจนกว่ามันจะเน่งว่างสงบไม่มีอะไรให้เห็นแล้วถึงค่อยหยุด ขอาการ์ดครับถือศีลแปดอยู่ที่บ้านต้องทําวัดเช้าเย็นด้วยไหมครับคือการทําวัดเช้าเย็นก็เป็นวิธีเจริญสติอย่างหนึง่งเราจะสวดมนต์โดยที่ไม่ต้องมาทําเป็นพิธีก็ได้สวดไปภายในใจพอตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนกรณ์นั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตาสวดมนต์ไปในท่าสมาธินี้ก็ได้หรือไม่ต้องไม่ต้องสวดก็ได้ถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้เลยก็นั่งไปเลยก็ได้ สวดมนต์เช้าเย็นแต่ชีวิตยังไม่ค่อยราบรื่นมันคือกรรมของเราใช่ไหมครับเมันควรต้องเลือกกันอย่างที่บอกการสวดมนต์นี่เป็นการฝึกจิตทำให้จิตมีความสุขใจไม่ได้เป็นธรรมาเพราะว่าชีวิตเราจะราบรื่นจากการมาไหว้พระสวดมนต์ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนอนผวาไม่หลับสนิทแผ่นดินไหวทํายังไงจะนอนหลับกลัวมากต้องอยู่สิบห้าวันครับ กหยุดหยุดคิดถึงมันเนี่ยสวดมนต์ไปริญญาณพุโทโธไปฝึกสมาธิไปพยายามลืมมันอย่าไปคิดถึงมันคิดแล้วมันก็จะทําให้เรากลัวถ้าเราใช้คิดทำปัญญาได้คิ ด, คดว่ากันมาเดี๋ยวก็ต้องตายแตตายที่ไหนก็ไม่มีใครกําหนดได้อย่างที่คุณหมอเขียนไว้ใช่ไหมความตายนี่เป็นแตตายไม่ไหนก็ไม่มีใครกําหนดได้ตายที่ไหนก็ไม่มีใครกาหนดได้เราต้องสอนใจให้ยอมรับความจริงนี้ให้ได้ถ้ายอมรับได้ความกลัวก็จะหายไป ถ้ายัสนยังรับความจริงไม่ได้ก็อย่างนั้นก็หยุดคิดถึงความตายไปก่อนอย่าไปคิดถึงมันพยายามทําคิดถึงพูดโธ้พูดโธไปถ้านั่งสมาธิไปหยุดความคิดให้ได้พอรอหนึ่งความตายไปใจก็จะสงบใจก็จะไม่ทุกข์กเรื่องของความตายไป่ชั่วคราวการพูดจาให้ร้ายคนอื่นเป็นบาปไหมครับบาปเป็นการใส่ร้ายเป็นพูดปด กลับขอปัญญาครับนั่งสมาธิแล้วเห็นดวงตาเป็นสีน้ําเงินโตมองเราอยู่ตอนเห็นแวบแรกตกใจแต่พยายามไม่เพ่งไม่สนใจแล้วนั่งต่อทําถูกไหมครับถ้าไม่เป็นสนใจก็ถูกให้อยู่กับการทาสมาธิของเราถ้าเราใช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธไปถ้าเราใช้การดูลมก็ดูลมไปแต่อย่านั่งเฉยๆอยลานั่งสมาธิต้องมีงานให้ใจทําเดันพุโทโธไปก็ได้หรือดูลมไปก็ได้ แล้วถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจกลับมาที่งานที่เรากำลังทำอยู่ต่อไปคุณพ่อชราไม่ยอมมาอยู่กรทมอขอรีบท่านขอรับท่านมาดูแลที่กรทมแต่ท่านติดบ้านต่างจังหวัดควรจะวางใจอย่างไรหรือพูดอย่างไรครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามความพอใจของท่านถ้าท่านไม่มาเองเราก็อาจจะทํา ถ้าเราไปดูแลท่านได้ก็ไปถ้าดูแลไม่ได้อาจจะจ้างคนหรือส่งเงินไปให้ท่านให้ท่านจ้างคนดูแลท่านแทนเราก็ได้ผู้ที่ใกล้ตายได้สั่งมอบหัวใจดวงตาตับม้าให้คนอื่นไปอย่างนี้ได้บุญหรือไม่ครับไม่ได้บุญนะเพราะว่ายังไม่ได้ให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะวาเวลาตายเราไม่รู้แล้วว่าของของเราเนี้ใครเอาไปบ้างเราต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตยอยู่ที่น้อจากตายไปข้างหนึ่งเนี่ยอาจมีญาติพีนที่เขาตายวายแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนใจเราก็ยินดีสละตายไปข้างหนึ่งเพื่อตอนพอสละไปเราเห็นว่าท่านนี้ก็จะตายเขากลับมีชีวิตยอยู่มีสุขภาพดีเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาจากการเสียสละของเรา ถ้าเกิดเราตายไปแล้วแล้วเขาตายเราไปให้เราไม่รู้แล้วว่าเขาตายเรานี้ไปให้ใครบ้างอย่างไรบุญก็จะไม่เกิดในใจบุญก็คือความสนใจมันก็จะไม่เกิดเคยไปฟังพระอาจารย์ว่าถ้าตายไปแล้วจะไปสุขติกับทุกขติถ้าไปทุกขติจะไปอาบายภูมิทั้งสี่แต่สงสัยว่าทําไมผู้ที่ตายไปแล้วเป็นวิญญาณหรือผียังวนเวียนอยู่ในสถานที่ตายยังไม่ไปอบายครับ ก็เป็นผีนี่ก็เป็นก็เป็นระบายอยู่อย่างหนึ่งนะเป็นผีเนียเปรตก็เป็นผีอย่างหนึ่งเปรตที่ผีที่มีแต่ความยุ่โหยอแล้วก็เรียกว่าเปรตผีที่มีแต่ความหวาดกลัวก็เรียกว่าสุนทรกายผีที่มีความเครียดแค้นอคติยาบานแล้วก็เรียกว่านรกวันเป็นประจำเดือนถวายของบุทิ้งพระในวันพระได้ไหมครับ ได้ไม่เกี่ยวกันร่างกายไม่สบายอะไรก็ยังสามารถทําหมนได้คุณปริชาติครับวันที่เกิดแผ่นดินไหวหนูวิ่งลงจากตึกพร้อมคุมนักเรียนเกือบร้อยคนวิ่งไปด้านล่างระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังเปรี้ยจากตึกตลอดแล้วตลอดทางตอนนั้นคิดว่าเราอาจตายได้นาทีนั้นไม่มีห่วงอะไรเลยครับหากก็ทําหน้าที่เต็มที่คือต้องพานักเรียนเดินออกจากตึกให้ได้แต่ในเวลานี้รู้สึกแปลกๆมันเหมือนกับ กำลังประมวลผลว่าเราปฏิบัติน้อยไปเราชละใจไปมากเรายังประมาทเป็นความรู้สึกที่แรงมากอย่างนี้ถือว่ายังไม่วางอุเบกขาหรือไม่ครับอาจารย์ถ้ า, ายังตื่นตระหนกยังหวาดกลัวอยู่ก็ยังถดอว่ายังไม่เป็นอุเบกขาถ้าเราเฉยเราบอกพร้อมที่จะตายในทุกเวลานาทีในขณะนั้นเราก็จะเราก็เราก็จะบรรลุธรรมได้ พระอริยสงฆ์จําเป็นจะต้องได้ฌานทุกองไหมครับก็ต้องมีฌานเป็นผู้สนับสนุนในสมาธิต้องมีอุเบกขางั้นทำใจไม่ได้ทําใจเฉยให้ยอมรับกับความเป็นจริงไม่ได้ใหายามรับกับความตายไม่ได้เพราะกิเลสมันจะไม่ยอมถ้าถ้าไม่เป็นอุเบกขานี่กิเลสมันมีกําลังมากกว่าจะมันก็จะต่อต้านมันจะไม่ยอมอยู่เย็นมันไม่ยอมอยู่เย็นใจก็ร้อนขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมาทุกข์ทรมานขึ้นมา แต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วปัญญาสอนว่าให้ยอมให้ปล่อยใจยก็จะปล่อยพอใจปล่อยใจยก็จะเย็นสบายการที่พรินไหวมีผู้สาเร็จธรรมขั้นสูงสุดใช่ไหมครับก็ไม่น่าสต่เราบอกคนอย่างเอาขั้นที่หนึ่งน่าจะได้ขั้นขั้นชัวาบัน คนที่ไหลาตายตายแบบหมดอายุไขไปใช้กรรมเลยไหมครับหรือว่าจะเป็นสัมภเวสีก่อนครับพตายไปบั้มบุญกระ บ, บาป ก, ก็จะเป็นผู้ตัดสินนะว่าจะไปเป็นดวงวิญญาณชนิดไหนไมรือจะไปรอเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญกระ บ, บาศจะเป็นผู้ตัดสินถ้าเราให้เงินแม่แต่เราไม่ได้ดูแลท่านเลยให้เงินซื้อของให้แต่เวลาท่านเจ็บป่วยไม่ดูแลโอนเงินให้อย่างเดียว อย่างนี้เราได้บุญมากกว่าหรือเท่ากับพอๆกับตนที่ดูแลแต่ไม่ให้ครับคือการให้งานมันก็เป็นสิ่งสำคัญช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเหนน้อยของท่านได้การเรื่องทางด้านาจิตใจมันก็ถ้าเราไปอยู่ในท่านมานก็จให้ความรู้สึกที่ให้ความสุขกับท่านมากขึ้นก็ได้ว่าเราเป็นห่วงเป็นใ ย, ยแล้วเราคอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิด ทำสมาธิแล้วมีการก้มตัวงอขณะก้มรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวว่าก้มก็ยืดตัวขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าหลับหรือเปล่าครับก็มันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของเวลาที่เราทํานี้เราไม่ให้ความสนใจกับเรื่องของร่างกายเราก็อยู่กับการทําสมาธิของเราซึ่มันก็อาจจะเองบ้างงอบ้างไปตามตามเรื่องของมันถ้าเราไม่กลับไปสนใจไปไปยืดมันขึ้นมามันก็ มันก็มันก็ไม่ไม่เหมือนกับไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเรากลับไปเยีดร่างกายแต่ละครั้งนี่เท่ากับเราเดินถอยหลังกลับไปเริ่มต้นใหม่ถ้านั่งสมาธิแล้วอย่าไปกังวลกันเรื่องของร่างกายให้อยู่กับงานที่เราทําอยู่เพียงอย่างเดียวถ้าไม่เช่นนั้นใจจะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้พอนั่งไปสักพักก็กังวลว่าร่างกายตรงไม่ตรงงอหรือไม่งอพอมาสังเกตุดูว่างอแล้วก็ลุกขึ้นก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ คำว่าพิจารณากับคำว่าโปรงคล้ายกันไหมครับก็ เ, ออเหมือนกันนะพิจารณาก็เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงของเราถ้าโปรงง่งยังโปร่งอันนี้จังทุกขัาอันหน้าตาพระอระหันต์ท่านยังนอนฝันอยู่ไหมครับคือปกติใจนี่มันยังมีสังขารคามคิดตกแต่งอยู่จะมีกิ่เดชไม่มีกิ่เดชมันก็ยังคิดตกแต่งอยู่ เวลาที่มันหลับก็ยังคิดปรุงแต่งอยู่ได้เหมือนกันบ่านอาหารกับประชาชนนี่ก็มีความฝันได้เหมือนกันตอนเจอแผ่นินไหวนี้ถือเป็นแบบทดสอบของการกลัวหรือไม่กลัวตายได้อยู่ใช่ไหมครับแน่นอนแล้วเราเราเราเรากลัวไม่กลัวนะแล้วไม่ได้เจอกับเหตุการณนะ์นี่แต่ยินเราจะไม่ได้อยิในเใหตุการณ์กันนะ ถ้าอ่เหตุการณ์มันจะต้องเกิดอาการไดขึ้นมาอย่างน้อยขึ้นมาแล้วกลัวไม่กลัวกลัวมากกลัวน้อยไมไ่กลัวเลยแล้วถ้ากลัวทําให้มันาหายกลัวได้หรือไม่สวดมนต์กับภาวนานี่ใช้อันเดียวกันไหมครับคือการภาวนานี่เป็นคํำพูดที่คลุมวิธีการทําจิตให้สงบการทําจิตให้สงบมันไดมีหลายวิธีการสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่ง การนั่งสมาธิก็นวิธีนั้นก็เป็นการภาวนาเหมือนกันคุณทนิยาครับแบอบกว่าเข้าใจในการใช้ปัญญาคือมองเห็นเหตุและปัจจัยที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับและเข้าใจในกฎตายักษเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับใช่เข้าใจว่าทุกของเราเกิดจากความอยากของเราให้สิ่งที่เป็นตายรักไม่เป็นตายรัก ความตายคงจะอยู่แค่ลมหายใจใช่ไหมครับ้็นั่นแหะถ้าหายใจเข้านั่นไม่หายใจออกมันก็ตายหรือหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้ามันก็ตายความตายมันก็อยู่แค่ลมหายใจการทำบุญแล้วกรวดน้ําให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วด้วยการตั้งจิตอธิษฐานโดยไม่มีน้ําผู้ล่วงรับไปแล้วจะได้รับบุญไหมครับได้นะ ไ, ไม่ต้องใช้น้ำกันหนะ นอนสมาธิได้ไหมครับแล้วมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับการนอนสมาธิก็จะไม่ได้สมาธิจะได้หลับก็มไม่ได้ประโยชน์จากการฝึกสตินั่งทำสมาธิเพราะมันจะไม่ได้สมาธิมันจะหลับถ้าอยากจะไม่หลับก็ต้องนั่งอยู่ในท่านั่งไม่ท่ายืนท่าเดินถ้าลูกคนหนึ่งรวยมีเงินให้เงินซื้อของให้พ่อแม่แต่เอาเป็นอนิธามันทำไปแล้วครับ พอดีผมได้สถานที่ปฏิบัติธรรมที่กุติวัดแต่กุตินั้นจะยกสูงกว่ากุติพระที่ท่านอยู่ตรงนี้ถือว่าผมอยู่กลัวพระสงฆ์ผมจะบาปอยู่สูงกว่าพระสงฆ์ครับผมจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกยังงั้นคนที่ไปนั่งปฏิบัติบนเขามันก็กอยูกงกับสุกพระแล้วนี่แล้วเวลาคนบินบินใ น, นเครื่องบินแล้วบินผ่านวัดเนี้ก็แสดงว่าอยู่สูงกว่าวัดแล้วนี่ มันไม่เกี่ยวหรอกมันเรื่องสูงต่ำนี่มันอยู่เวลาที่เราพบปะกันว่าควจะสมสมควรถ้าทําอย่างไรถ้าอยู่อยู่คนละที่กันอยู่คนละทิศกันไม่อยู่กันคนละหลังนี่เราไม่สามารถวัดได้เรื่องสูงต่ํำว่าเป็นการเข้าลแลบหรือไม่เขา้าลบดังนั้นอย่าไปกังวลมากจนเกลนไปพิจารณาอยากปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ต้องรับผิดชอบครอบครัว จะปฏิบัติในสถานะใดได้อย่างไรครับก็ทำแบบชั่วคราวไปก่อนเลยวันไหนว่างมยุดทำ ง, งานก็ขออนุญาตเข้บกรัวไปอยู่วัดสักสองสมวันไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ทำเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ภาระหน้าที่การ น, นึงดูครอบคกัก็ยังทำ ต, ต่อไป เวลานั่งสมาธิเวลาจิตนิ่งสงบไม่มีลมหายใจตัวเบามากๆสักพักไม่มีตัวตนรู้แต่ว่ามีแต่จิตแต่ตัวไม่มีมีแต่จิตลอยขึ้นไปข้างบนจิตกับร่างกายแยกกันอยู่รู้แต่ว่าจิตว่างเปล่าไม่สุขไม่ทุกข์นี่คือสภาวะทำอะไรครับก็คือความสงบนะแต่ควจริงมันท้ำมันสงบจริงมันจะสุขมนะันไม่สุขแบบสุขเวทนาความสุขที่เกิดจากความสงบ สวดมนต์เสร็จและกรวดน้ําแต่วันนั้นไม่ได้ไปทําบุญบรรพบรุษเจ้ากรรมในเวรจะได้รับบุญไหมครับ ท, ทําไปได้หมดทิ่บุญท่อก็รับเมืเ่อเขาก็ไม่ได้รับบุญเราต้องบุทิการพูดจากับพ่อแบบหยอกเล่นอย่างนิสัยแบบนี้ลูกใครนะเหมือนพ่อเลยนี่ลูกพ่อเลยพูดเล่นแบบนี้จะเป็นบาปไหมครับเราไม่มีคาคำขอรบเถิ ไม่ยกไม่ไม่ยกท่านให้สูงกว่าเราถักตัวสมาท่านมันก็ถือว่าไม่ขาดความเคารพขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนจะเริ่มต้นทำอะไรอย่างไรครับก็จองฝึกสติก่อนให้นราเลือดคำวิการามพุโทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่เป็นขึ้นมาก็ คิดบริการพุทโธพุทโธไปทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้พอมีเวลานั่งสมาธิก็นั่งหลับตาแล้วก็พุทโธต่อไปอย่าคิดอะไรการนั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดผลไม้ที่เรานํามาไหว้พระไหว้สารแล้วนํากลับมาไหว้อีกโดยไม่ซะจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่มันไม่ได้บุญนะ ไหวกี่รอาก็ตามมันก็ไม่ได้บุญเพราะเราไม่ได้เสียสละอะไรไปเราวหวเสร็จแล้วเราก็เอากลับมากินได้เองมันก็มันก็เล่นเล่นละครไปเท่านเลยเล่นเริงรอกเจ้าเวลาทําบุญจะมีความคิดไม่ดีแวบเข้ามาในสมองอย่างนี้ต้องทําอย่างไรครับก็อย่าไปสนใจมันก็เวลาจะสอนใจว่าอย่าไปคิด อถ้าอยากจะหยุดคิดก็ใช้พุโทโธพุโทโธเวลามันคิดไม่ดีแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วมันออกไปได้ไปสวดมนต์แต่ไม่นั่งสมาธิเลยได้ไหมครับได้ก็ได้สติแต่ยังไม่ได้สมาธิถ้าอยากนันนะ้สมาธิต้องนั่งเฉยๆเพื่อให้ใจนิ่งสงบถ้าสวดมนต์เฉพาะตอนขับรถอย่างนี้จะได้สมาธิและได้บุญด้วยไหมครับไม่ควรนอะ ควรจะอยู่กับการขับรถเกี่ยค่ะจะได้สติกับการขับรถเพราะว่าถ้าเราไปสวดมนต์ด้วยแล้วเรามีสติอยู่กับการสวดมนต์เวลาเกิดอุบัติเหตุเ ก, ก, กิดเหตุกระทันหันแลอาจจะแก้ไขไม่ทันทุ่งทีก็ได้ยังไม่ควรทําอะไรเวลาเวลาที่เราขับรถอยู่นี้เราควรจะมีสติอยู่กับการขับรถจะดีกว่าจากคุณสมพรครับ เรื่องสมดุลชีวิตกับการทำงานครับโยมทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความสมดุลกับชีวิตกับการทำงานของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อแห่งหนึ่งผลความสมดุลชีวิตกับการทำงานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้75จากร้อยโยมมีความสมดุลชีวิตการทำงานมากน้อยเพียงใดครับจะขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดให้ทราบอะไรไม่รู้ว่าวัดกันยังไง75เปอร์เซ็จากร้อ ย, ส, อยสมดุลชีวิตเป็นเป็นยังไง ร, ระหวา่างทรรกับโลกหรือเปล่า ถ้าย่างถ้าความสํานวนทางโลกธรรมนี่ต้องเอาแบบฉบับของพระเป็นเป็นเกณฑ์พระจะให้เวลาอการหาหาเรื่งปา่าเรื่งท้องแค่วันละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงคือตอนเช้าไม่เบ็นตบัดนะจั้นกลับมาก็ฉันเสร็จแล้วก็นั่งบาตรเก็บสถานที่สานัล้วก็กลับไปปฏิบททัติธรรมอันนี้นะคือความสํานวนของของชีวิตเราทำถูกโลกทำทำน่ะเวลา ให้กับโล ก, กเราเลี้ยงดูร่างกายประมาณสองชั่วโมงแล้วก็นอนนั้นก็เอามาให้กับการปฏิบัติธรรมบวกกับเวลานับนอนก็เป็นเวลาให้กับร่างกายให้กับทางโลกพักผ่อนทํางานของร่างกายการทำความสะอ า, าของพื้นสถานที่ตา่างๆก็เป็นการทําประโยชน์ทางโลกใ น, น, นี้ขณะเดียวกันเราสามารถทําประโยชน์ทางธรรมก็คุ้มไปได้ด้วยด้วยการมีสติ ح, อยู่ในการทํางาน เวลาที่ตั้งจิตสงบไหว้พระบางทีทําไมจะมีความอ๋ออันนี้ถามแล้วครับข้างบ้านเอาหมามาเลี้ยงแต่ไม่ให้ข้าวเลยแต่ให้มากินบ้านเราเขาจะได้บุญหรือเปล่าครับถ้าบุ็นข้าของเราเราก็ไปคนได้บุญพ่อแม่จะมีความสุขที่สุดเมื่อลูกทุกคนมาเฝ้าดูแลหรือแสวะแสดงความรักห่วงใยต่อท่านคนที่ดูแลใกล้ชิดแม้พี่น้องเรา จะไม่ค่อยสนใจต่อพ่อแม่นักแต่เวลาเขาทําอะไรพ่อแม่เราจะต้องพูดให้พ่อแม่รู้ว่าลูกทุกคนห่วงใยเล่าเฉยๆครับสภาวะที่บอกว่าเราเข้ากระแสธรรมคืออะไรครับคือเราปล่อยวางปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไว้ให้เกิดแการ่างกายเกิดแก่เจ็บตายไปตามภาวะของเขา ถ้าไม่สวดมนต์แต่นั่งสมาธิไปเลยได้ไหมครับถ้านั่งได้ก็นั่งได้นั่งไปเลยก็ได้บางคนนั่งสมาธิยังไม่ได้กเอาศัยการสวดมนต์ไปก่อนเพื่อทําใจให้สงบให้เบาลงก่อนแล้วค่อยนั่งสมาธิต่อทุกครั้งที่นั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านทุกครั้งก่อนถึงจะนิ่งเป็นแบบนี้ทุกครั้งก่อนจะได้สมาธิจะแก้ไขยอย่างไรครับก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่ง อย่าปล่อยให้ใจคิดมากในช่วงที่เรายังไม่ได้นั่งใช้คำวิกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆความฟุ้งก็จะน้อยลงเวลามานั่งก็อาจจะสงบได้ง่ายได้เร็วขึ้นได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์บ่อยๆท่ให้มีสติแผ่นินดไว้ที่ผ่านมาถือว่าตัวเองผ่านการทดสอบครับก็ดีสาธุ โยมเคยมีจิตเพี้ยนไปหลังจากนั้นมีความรู้สึกว่านั่งสมาธิยากสร้างสติยากตกผวังบ่อยๆและลมหายใจสั้นถีโยมควรจะบริการพุทโธไปก่อนใช่ไหมครับแล้วท้ายที่สุดก็ต้องมาพิจารณาลมหายใจใช่ไหมครับเืิ่มต้นก็อาจจะใช้คําบริการหรือใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้แล้วพอใจแล้วสงบแล้วพออยูส่สามารถดูลมหายใจไนดะ้ก็เปลี่ยนมันดูลมหายใจต่อ บริจาคร่างกายไว้แต่เขาบอกว่าให้แจ้งภายในเสียชีวิต24ชั่วโมงถ้าเราไม่รอญาติเราไม่บาปใช่ไหมครับไม่รอญาติคือไม่ไม่บาปหรอถ้าเราบริจาคไปแล้วเราไม่สามารถที่จะทำตามที่เขากาหนดไว้เราก็ไม่เราก็ไม่ได้บริจาคท้งนี้แต่ก็ไม่ได้บุญนะจากการบริจาคอาว้ยวัตต่าง พอเราไม่รู้ว่าเวลาเราตายไปแล้วเขาเอาไว้ในวารานี้ไปทำตามที่เราบอกหรือเปล่าการทำบุญโดยใช้สังฆทานเวียนวัดได้เวียนวัดได้บุญไหมครับได้ทำบุญอย่างไรจะให้หายป่วยแน่นอนครับอย่ามาเกิดเนี่ยหยุดการเกิดให้ได้ เป็นผ้าอาารถ้าเป็นผ้าอาารแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาคาถาสามมีอะไรบ้างนะครับผมพระอาจารย์ผมฟังไม่ทันครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับเราพูดการปฏิบัติสามขั้นทานศีลภาวนาไม่ได้พูดคาถาคือการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราในการทำทานในการรักษาศีล โดยการปฏิบัติธรรมทสตินั่สมาธิจเจริญปัญญาเราวป็นเจาเป็นคนที่มีค่าอยู่พระพระุทธเจ้าแต่และองค์พระอาหารหันตแต่และองค์นี่มีคุณค่าไหมมีคนเข้าหากันเป็นน้อยเป็นเหมือนเป็นแสนคนเพราะท่านมีสิ่งที่ดีๆให้กับเรา จิตไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่จิตร่างกายตายแต่จิตไม่ตายตอนร่างกายเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวแล้วก็แก่จิตของเราก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของร่างกายหรือไม่ครับให้เป็นเพราะจิตไม่มีร่างกายไม่มีร่างกายที่จะเสื่อมจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จิตก็เป็นเองแต่ผู้รู้ผู้คิดท่านั้นเองนั่งสมาธิกับเดินจงกรมแต่ไม่ค่อยได้สวดมนต์อย่างนี้ได้ไหมครับ ได้ถ้านำได้สมาธิก็ไม่ต้องสวดเลยก็ได้ถ้าจะสวดมนต์แบบไม่ออกเสียงได้ไหมครับดีองค์ชวนชวนยัใจได้ยั่งดีขับรถสวดมนต์ได้บุญไหมครับก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะได้อันตรายเพราะว่าสวดมนต์ไปไม่ค่อยดูถนทนที่เราขับอยู่ถ้วเกินมีนอตตันหน้าไม่อุบัติเหตุเหตุกระทันหันก็อาจจะแก้ไขไม่ทันโชคดี อย่าไปส่วนนวือย่าให้มีสติยการขาับรถจะดีกว่าเดือนที่แล้วหนูผ่าเขายัางไม่ทันหายเดือนนี้หนูพบว่าเป็นมะเร็งมาผ่ามะเร็งที่ผ่านมาหนูนั่งสมาธิทําบุญมาเรื่อยๆเมื่อทําบุญมาก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แต่เป็นคนไม่เอาของไปเส้นไหว้ผู้ใหญ่ที่บ้านมาเยี่ยมหนูที่โรงพยาบาลบอกว่าหนูไม่เคยเส้นไหว้อะไรเลยเจ็บป่วยบ่อยแต่หนูก็ยังยืนยันว่าหนูใช้วิธีทําบุญแผ่เมตตาให้ ผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่ากลับไปพัทยาให้ไปจุดทูบเส้นไหว้หนูก็รู้สึกว่านั่นไม่ใช่ทางอยู่ดีหนูควรทำเพื่อความสบายใจของผู้ใหญ่ไหมครับก็ถ้าคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาคือไม่ให้เขาไม่ยุ่งกับเราแล้วเราก็ทำไปแต่ในใจเราก็รู้ว่ามันเป็นการเล่นลิน เ, ลเกเล่นละครการเส้นไหว้ต่างๆนี้มันไม่ไม่มีผลต่อต่อร่างกายของของเรา ราการเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันอยู่ที่การดูแลรักเลี้ยงดูของเรามากกว่าเรื่องเป็นเรื่องของของภัยทางถ้ทาที่เราห้ามไม่ได้กอาจจะเกิดจากเชื้อโรคอะไรเป็นต้นหรือไม่ฉะนั้นก็อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเรื่ออาจจะเป็นกรรมพันธุ์มันมีหลายใจเห็นด้วยกันที่ทําให้เราไม่สบายมันไม่ได้อยู่ที่การเช่นไหวแต่ ปัจจุบันมีความศรัทธาต่อพระสงฆ์ลดลงเกิดลังเลใจในการตักบาตรบริจาคทรัพย์จะต้องแก้อย่างไรครับเพราะเราไม่เจอพระสงฆ์ที่ดีนั่นเองเราต้องมาหาพระสงฆ์ที่ดีพระสงฆ์ก็เหมือนกับปลาปลาในเข่งนะี่มันมีหลายหลายหลายตัวด้วยกันบางตัวก็เน่าบางตัวก็ไม่เน่าเอาน่าเจอตัวที่เน่าเราไปเราก็โยนทิ้งไปเราเก็บเอาไว้ในเข่งเก็บไว้แต่ปะปลาที่ไม่เน่าปลาที่ดี พระก็เหมือนกันถ้าอะไรเสื่อศรัทธานในพระรูปใดแล้วก็ไม่ต้องไปทําบุญกระท่านกนได้เราก็ไปหาพระที่ดีที่ทําให้เราไม่เสื่อศรัทธาแล้วก็ทําบุญกับท่านแทนเปิดบทสวดมนต์ฟังแต่ไม่ได้สวดตามเป็นอย่างไรบ้างครับถ้ามีสติมันก็มันก็ได้ความสงบในระดับหนึ่งแต่มันสู้การสวดเองไม่ได้ ขอาการเรียนถามพระอาจารย์ครับวันก่อนนี้กรทมได้รับเอฟเฟค์แผ่นดินไหวท่านมากรทมพอดีมาปฏิบัติธรรมวันพระใหญ่ที่วัดแถวสนามหลวงคนข้างๆคุยกันและถ่ายคลิปว่าโคมไฟเพดานของศาลารายแกว่งไกวไปมาและคุยกันดังยาวจนถึงเวลาพระสวดปาติโมกข้าน้อยนึกว่าแค่แผ่นดินไหวทําไมต้องตื่นเต้นเสียงรบกวนจึงลุกหนีไปที่เงียบนั่งสมาธิตอนพระสวดปาติโม ไม่รู้สึกถึงแผ่นดินไหวเลยจน ถ, ถึงบ่ายสามบ่ายสี่ที่ขึ้รถเมล์รถติดเจ็ดชั่วโมงจนถึงที่พักตอนเกือบห้าทุ่มคำถามเกียนไม่จบนะครับบอกว่าไม่รับรู้แผ่นดินไหวก็ อ, อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเป็นแผ่นดินไหวบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินไหวเขาอาจจะคิดบางทีเขาคิดว่าตัวเขาเองเงินศี่สาะเองก็ได้บางคนมีการเรียนศี่สาะขึ้นมา จะไม่รู้ก็ตามมันได้ยินข่าวว่า อ, อ๋อเมื่อกี้มันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาบางที่ไม่รู้ก็ดีไปอย่างแล้วมันจะไม่ตื่นตระหนกถ้ารูนะ้เงินเดี๋ยวจิตมันตุงแต่งมากโอ้แผ่นดินไหวเดี๋ยวโลกจะระเบิดหรือเปล่าคิดไปใหญ่คิดไปไกลใหญ่เหตุการณ์แผนินไหวทําให้เข้าใจว่าสติสําคัญมากใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้เองใช่ว่าเราใช้สติช่วยเราได้หรือไม่ โดยหลักก็ช่วยได้เยอะถ้ามนสติเตืนตนอหแล้วก็ใช้สติรับความเตื่นตนณหได้ใส่บาตรแต่ผักผลไม้และอุทิศให้คนตายจะได้แค่อาหารแบบนี้ใช่ไหมครับไม่หรอกอาหารนี่ก็เนเป็นเรื่องของอาหารแต่มุลนี่มันเหมือนของที่มันเป็นเหมือนเงินเงินสามารถเราไปซื้ออะไรต่างๆได้จะซื้อผักซื้อข้อาวซื้อเนื้อซื้ออะไรก็ได้ บุญนี่เป็นเหมือนเงินเหมือนกับเือนที่เราทิพยไปประโยชน์ของการสวดมนต์คืออะไรครับทําให้เรามีสติและทำให้ใจเราเย็นให้เราสงบขึ้นแต่ยังไม่สงนแบบสมาธิแต่ยังไม่สงบแบบสมา ธ, มบบมาธิหลังจากสวดมนต์แล้วต้องนั่งสมาธิต่ตอทําบุญออนไลน์ได้บุญเหมือนไปทําด้วยตัวเองไหมครับได้ พระอาจารย์แก้ความง่วงอย่างไรครับพยายามนอนให้อิ่มแล้วเวลามันนั่งไปสักพักก็ยังมีวืรครับก็อย่าไปนั่งตอนที่เรากินอาหารเสร็จใหม่ๆนั่งสมาธิช่วงนี้ถ้าเราไปนั่งตอนคืนนี้มันจะง่วงง่ายเพราะหนึ่งร่างกายมันก็เหนื่อยเพลียอยากนอนอนสองร่างกายก็ได้รับประทานอาหารเย็นมันก็เลยทําให้ความง่วงนี้เกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าอยากจะไม่ง่อก็ต้องถือศีลแปดดูไม่กินอาหารลังจากเที่งวันไปแล้วอันนี้จะช่วยแก้ได้เรื่องความง้เวลานั่งสมาธิแล้วหลังจะออหลังจะงอลงตลอดเพราะกระดูกสันหลังยุบลงแต่พระพอฟังพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องผ่าตัดก็จะไม่อยากผ่าแต่ก็ยังลังเลครับ ก็ต้องเลือกเอาระหว่างอยู่หรืความเจ็บปวดได้หรือไม่ถ้าอยู่ได้ก็ไม่ต้องไปเสี่ยงครับความเจ็บปวดและความผิดพลาดนึกอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้อันนี้เราเราตัดสินใจเ อ, เองว่าเราจะอาไปทํางไหนดีเราจะวางจิตเกี่ยวกับความเมตตาความสงสารกับสัตว์ที่เราเลี้ยงอย่างไรครับพอดีว่าแมวที่เลี้ยงมันหายไป ก็ตามหาแต่ก็ยังไม่พบเจอแต่ได้แต่ห่วงสงสารว่าเขาจะกินจะนอนอย่างไรก็ถือว่ามีความวิตกกั ง, งวลและทุกข์ใจพอสมควรอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเราควรจะวางจิตอย่างไรครับจะได้ไม่เป็นทุกข์ครับเราก็วางว่าเราก็พยายามช่วยเขาเต็มที่แล้วเราก็ช่วยได้เท่านี้เท่านี้เพราะเขาไม่อยู่ให้เราช่วยเหลือแล้วเราไปทุกข์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องทําใจเป็นอุเบกขาวางเฉยบ้าง คือถ้าเรายังช่วยเขาได้ใช้ความเมตตาด้ากระทำไปแต่ถ้าไม่มีไม่ความสามารถใช้เมตตาช่วยเหลือเขาได้แล้วเรามาทุกข์ใจกับเขาเราก็ต้องใช้อุบเบกขาว่ามันเป็นเรื่องสิวิสัยในความสามารถของเราที่จะช่วยเหลือเขาได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเราเถอะเป็นรืน่บุญบุญการของเขาไปเป็นพี่ชอบบ่นน้องเพราะ รักน้องสงสารอย่างนี้เป็นบาปแล้วจะมีกรรมต่อกันไหมครับก็ไปสร้างความรู้สึกรำคาญใจให้กับเขาไม่ก็ไม่ดีถ้ารักจริงมันต้องรักแบบที่ไม่สร้างความรำคาญใจให้กับเขาต้องรู้จักเอาอกเอาใจเขาพูดอะไรให้เขาสบายอกสบายใจไม่ใช่ไปพูดแต่เรื่องที่ทําให้เขาไม่สบายใจถึงแม้จะรักแต่การแสดงออกมัไม่ได้เป็นการแสดงออกด้วยความรักเป็นการแสดงออกด้วยความคงแหงรังแกเสียมากกว่า อยากพาแม่ไปกราบพระอาจารย์วันอังคารครับนอกจากจะรอตักบาตรพระอาจารย์หนูจะตามไปกราบที่วัดช่วงถวายอาหารเพนได้ไหมครับที่วัดไม่ได้ฉันอาหารเพนต้องไปตอนเช้าหลังจากบินบาตดเสร็จก็ต้องตามไปเลยถ้าอยากจะไปพบที่ศาราพอหลังจากประมาณสิบโมงก็จะไม่สาราก็จะไม่มีพระ น, นอยู่แล้ว ชอบหลอกลูกให้กลัวผีกลัวบาปเจตนาให้เขาเกรงกลัวต่อบาปและเชื่อเรื่องกรรมเป็นการสอนที่ถูกไหมครับก็ไม่เนยังไม่ใชนั่งโกหกนะไม่นั่หลอกเขาก็บอกเขาว่าทําบาปแล้วใจจะทุกข์ใจจะร้อนอย่าไปโกหกการสอนอไม่คำโกหกมันจะทำให้เราเสียเครดิตต่อไปเขาจะไม่เชื่อหรอก เป็นคนมีทิฏฐิเพราะมีโอกาสได้ เ, เรียนหนังสือบางทีก็เป็นกิเลสไม่น้อยที่ดูถูกคนในครอบครัวที่ไม่มีโอกาสได้ เ, เรียนหนังสือเวลาพูดคุยสื่อสารการโยงก็มีทิฏฐิกิเลสหนาเพราะเวลาเหมือนเหมือนคุยกันคนละช่องคนละคีดกันด้วยเพราะความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ได้รับต่างกันบางทีความคิดความเห็นโยมก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปแต่ในใจลึกๆ ก, ก็มีกิเลสแอบดูถูกที่แปลว่าดูผิดกับคนในครอบครัว ที่มีความเห็นต่างกันแล้วโยมแอบคิดเฉพาะการศึกษาทําให้มีความต่างกันโยมควรแก้ทิฏฐิ ก, กิเลสการมองคนอื่นอย่างไรดีครับแล้วอย่างไรก็ควรจะมองว่าทุกคนเหมือนกันนะเรามีนั่งกายจิตใจเหมือนกันมีการเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันนะมองส่นที่มันเหมือนกันบ้างอย่าไป ม, มองส่วนที่มันไม่เหมือนกันจิตคิดฟุ้งซ่านครับต้องพุโทโธเอาไม่อยู่ครับทําอย่างไรต่อครับ ส่วนมันไปถ้าเอาพุทโธไม่อยู่ก็ส่วนมือนไปหรือฟังเทศฟังธรรมไปก่อนบอกว่านั่งสมาธิแล้วไม่ค่อยสงบแต่ถ้าพิจารณาร่างกายเป็นของเน่าเปื่อยทีละส่วนทีละส่วนพบว่านั่งได้นานขึ้นครับก็ได้ใช้ปัญญาเป็นตัวทําให้ใจสงบ ก, ก็ได้เช่ที่เรียกว่าใช้ปัญญาอบนมสมาธินั่งสมาธิแล้วตกศูนย์ต้องแก้ไขหรือทําอย่างไรครับ ไม่เข้าใจความหมายว่าตกศูนย์เป็นยังไงขออภัยด้วยข อ, อกาศครับเมื่อก่อนเวลาให้ทานแล้วจิตจะเป็นสุขพอปัจจุบันเวลานั่งสมาธิจะเป็นสุขมากกว่าแบบนี้ถือว่าติดสมาธิหรือเปล่าครับไม่เราบมันเป็นธรรมชาติเป็นความจริงความสุขของสมาธิมันมากกว่าความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทานพอได้ความสุจากสมาธิแล้วก็อาจจะไม่ให้ความสําคัญกับการทําบุญทําทาน ไหนก็ไม่ได้มาเขาอาจะไม่ทําอาจจะทําแบบให้มันเสร็จไปเลยทีเดียวมีเงินก้อนหนึ่งก็บริจาคไปเลยให้มันหมดสิ้นไปแล้วก็วอาเวลามาให้กับการฝึกสมาธิอย่างเต็มที่ต่อไปอย่างคนที่ไปบวชนี่เขามีทรย์ส ม, มัติเ ง, งนินท่าเท่าไหร่เขาก็บริจาคไปหมดเมื่อเขาจะได้เวทนาทางวา่นกับเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องของการทำวุ่นทาทานเขาจะได้มีเวลามาเจริญสตินั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่ แผ่เมตตาให้สัตว์ที่ตายที่เห็นตามสถานที่ต่างๆได้บุญไหมครับไม่ได้เนาะถ้าอยากจะให้สัตว์ที่ตายไปได้บุญต้องทําบุญใส่บาตรมันทําทานบริจาคบริจาคทานแล้วก็อุชิตบุญที่เราได้จากการบริจาคบริจาคให้กับพวกที่ร้องรับไปแล้วได้เลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ได้เหมือนกัน คุณพ่อเสียชีวิตด้วยมะเร็งได้เกือบสามเดือนแล้วครับยังทำใจไม่ได้ครับโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองพยายามพาคุณพ่อไปรักษาเต็มที่แล้วแต่ก็ยังคิดว่าสามารถดูแลพ่อได้ดีกว่านี้ควรทำอย่างไรดีครับก็ยังคิดเสมอบอกว่ามันผ่านไปแล้วคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรชอบคิดวิตกกังวลจนบางครั้งนอนหลับไม่สนิทควรทำสมาธิหรือจะสวดมนต์ดีครับ อย่างใดก็ได้ที่ทําให้ใจเราสงบทําให้เราหลับได้ตั้งแต่ฝึกออกกําลังกายเวลานั่งสมาธิไม่สงบเหมือนเดิมใจไปนึกคิดถึงการออกกําลังกายจนเห็นได้ชัดผมควรทําอย่างไรดีครับ ก, ออ ก, ก, ก็เวลาเนาะพยายามฝึกสติให้มากขึ้นคอยควบคุมความคิดให้มันน้อยลงไป สดงว่าเราไม่ได้ฝึกสติในขณะที่เราทา ก, กิจอะไรต่างๆไว้ให้มันคิดไปเรื่อยๆเอามานั่งความคิดมันก็ยังฟุ้งอยู่เลยทำให้สงบได้ยากงั้นถ้านั่งแล้วมันไม่สงบก็ต้องมาใช้การส่วนบนไปก่อนหรือใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเพื่อกล่อมใจให้สงบในระดับหนึ่งพอที่ังนั่งสมาธิต่อได้แล้วค่อยน่งสมาธิไป เมื่อคลายจิตจากการภาวนาจะรักษาความสงบของจิตต่อต้องจับจุดใดครับก็ใช้สตินะะใช้พุโทโธพุโทโธก็ได้หรือใจคอยผูกใจไว้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายร่างกายทำอะไรก็คอยเฝ้าดูว่าเรากลังทำอะไรอยู่อย่าไปให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำอย่างไรจะลดความอยากได้ครับหากทำสมาธิยังไม่ก้าวหน้าครับ ก็มองเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่ยมันจะกลายเป็นความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวบางทีมันก็หมดไปมันจากมาไปมันไม่จะทําให้เราทุกข์ได้ญาติที่เสียไปแล้วจะมารอรับบุญเราทุกวันพระไหมครับอยู่ที่ว่าเขามีบุญของเขาเองหรือไม่ถ้าก็มีบุญของเขาเองเขาก็ไม่มารอรับบุญ ถ้าก็ไม่มีเขาก็อาจจะมารอรับบุญจากเราก็ได้บางครั้งมีอารมณ์ที่อยากจะด่าฝ่ายตรงข้ามแต่ยังไม่ได้ด่าออกไปแบบนี้บาปไหมครับไม่บาปแต่เป็นอกุศลเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีที่เราควรที่จะกำจัดอย่าปล่อยให้มันออกมาทางกายทางวาจาท่านที่เลี้ยงเราตั้งแต่สองขวบจนเรียนจบ กับแม่ที่เลี้ยงเราได้แค่สองขวบแม่ก็จากไปอย่างนี้สองคนนี้ใครมีบุญคุณมากกว่ากันครับแม่ผู้ให้กําเนิดมันก็ต้องมีบุญคุณมากกว่าใคเพราะถ้าไป่มีแม่ให้กําเนิดเรากําำเนิดขึ้นมาไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพอแม่คลอดพระพุทธเจ้าได้เจ็ดวันก็ตายไปแต่พระพุทธเจ้าตัดสัตว์มีพระพุทธเจ้าเป็นบางก็นึกถึงบุญคุณที่ของแม่ที่ให้กําเนิดร่างกายนี้มา เขพุ่งไปหาแม่เพื่อไปปลดแม่ก่อนนะดงงวิญญาณมีสติสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก, ก็ขนลุกเย็นทั้งตัวเกิดจากอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันนะว่านั่งสมาธิบางทีมันอาจจะเกิดความประทับใจขึ้นมามันก็นเลยเกิดขนลุกซาาขึ้นมาที่เขาเรียกว่าปิติก็ได้ทุกครั้งที่ลงนอนจะ ตัวจะเขาเขียนว่าแวะตัวไปหมดลุกขึ้นก็หายเป็นทุกคืนมานานเป็นสิบปีต้องทําอย่างไรเชิญช า, ชาติทาหมอทางหม อ, อไม่ใช่เรื่องของจิตใจหรอมีคนฝากปล่อยปลาอย่างนี้คนฝากได้บุญไหมครับคนที่รับฝากใช่ไหมก็<อ>ได้ส่วนหนึ่ง ค, คนคนถ้ปลาไปปล่อยก็เขาก็ได้ส่วนหนึ่ง ได้คนละครึ่งกัแล้วกันทำอย่างไรให้เราอยู่กับอยู่โรคที่เราเป็นอยู่ครับพระอาจารย์ครับก็ยามรับมันเนี่ยอย่าไปปฏิเสธมันอย่าไปอยากให้มันหายยิ่งยีเวิร์สมันถ้าเราชอบมันนะมันจะอยู่กับเราเราก็จะมีความสุขเวลาที่เราชอบอะไรแล้วเรามมัันนเราได้สิ่งที่เราชอบมัาเราก็จะมีความสุขอันนี้ที่เราทุกข์เพาเราไม่ชอบโรคหายแค่เจ็บ น้องเป็ีนใจเราให้ไปชอบมันดูสิถ้ า, าชอบได้แล้วเราก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขไม่ตั้งของสังเวยพระภูมิเจ้าที่แต่น้อมจิตให้ท่านอนุโมทนาหลังจากนั่งสมาธิทุกครั้งผิดไหมครับไม่ผิดแต่ทำไม่ได้ทั้งอย่างเคยนั่งสมาธิถึงขั้นลมหายใจหายนิ่งสบายแล้วไปอยู่อีกโลกหนึ่งมีแต่ความว่างเปล่าเป็นเพราะอะไรครับ ก็พอใจปล่อยวางทุกอย่างใจเข้าสู่ควาสมสงบเพราะสติถ้าเราฝากอาหารหรือฝากของไปทําบุญเราได้รับบุญนั้นด้วยไหมครับเของเป็นของเราเราก็ได้บุญแต่บุญส่วนที่ที่เอาไปทําไปถวานนี่เราจะไม่ได้เพราะว่าเราฝากคนอื่นไปทําแทนเราเขาจะได้ส่วนนั้นแต่ บุญที่กจากการถวายอาหารนี่เป็ของเราถ้าถวายพระไปแล้วจะให้แม่ที่ร่วงลับไปได้ไหมครับได้พอถวายกันแล้วเราก็อาทิศบุญ น, นี้ไปให้กับแม่ที่ร่วงลับไปแล้วได้ทันทีนั่งสมาธิมีจิตสงบเพียง 30-35 นาทีเท่านั้นเรียนถามพระอาจารย์แนวทางเพิ่มการเพิ่มเวลาให้นานขึ้นครับกานั่งบ่อยๆนั่งหลายๆรอบ แล้วระหวางที่ละหาที่ไม่ได้นั่งก็จะเดินสติให้มากขึ้นต่อไปก็จะนั่งได้นานขึ้นมากขึ้นอยู่ที่สติสติมากเท่าไหร่ก็จะสามารถนั่งสมาธิได้นานมากขึ้นไปเรื่อยๆควรจะนั่งสมาธิเท่านั้นหรือให้เดินจงกรมไปด้วยครับก็แล้วแต่เราถ้าเรานั่งมากๆเรานัู่้สึกเมื่อยเราอยากจะเปลี่ยนท่านั่งม า, าเป็นท่าเดินก็ได้ แต่ใจก็ยังทําสมาธิเหมือนเดิมอยู่ใจก็ยังเจริญสติเหมือนเดิมอยู่เคยจิตรวมด้วยการรับรู้จุดที่ท้องรับรู้ท้องพองยุบถ้าเปลี่ยนกรรมฐานอานาปานสติเป็นรู้ลมเข้าออกที่ปอดจิตจะรวมอีกไหมครับก็ได้คำจะเป็นต้องเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าอยากจะรวมเราไม่รวมก็ต่างทดล อ, องดูเอง ถ้านั่งสมาธิแล้วหลับจะแก้อย่างไรครับลุกขึ้นมาเดินก่อนลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินจนกระทั่งรู้สึกหายง่วงแล้วค่อยมานั่งใหม่ผมยังไม่แน่ว่าการเดินปัญญาต้องเดินในสมาธิหรือนอกสมาธิครับนอกสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี่คิดไม่ได้จุดหยุดคิดต้องรองให้จิตออกจากสมาธิแล้วเริ่มคิดแล้วค่วคอยเอาความคิดนี้ ม, มาคิดฐานปัญญา การสวดมนต์จำเป็นต้องสวดต่อหน้าพระพุทธรูปหรือกราบท่านก่อนแล้วมานั่งสวดหรือนอนสวดได้ต้องต้องอย่างนั้นไหมครับไม่ต้องสวดได้ทุกแห่งทุกคนถ้าสวนดในใจนะเวลานั่งรถเมล์นั่งรถไฟฟ้าไปทํางานนี่ก็สวดไปในใจก็ได้เวลาเดนก็สวดไปในใจก็ได้เดินขึ้นรถเดินลงรถอะไรล้วก็สวดไปในใจของเราได้สวดได้ตลอดเวลา พระอริยสงฆ์ผู้บำเพ็ญบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ชาติปัจจุบันนี้ท่านบรรลุพระอรหันต์หรือไม่ครับมันไม่ใช่คุณพูดโงเมยกันหรือเปล่าพระอริยสงฆ์กับพระโพธิสัตว์นี่คนละเรื่อง ก, กันนะพระอริยสงฆ์นี้เป็นผู้ที่จะได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ส่วนพระโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีศีลเพื่อเปิดตัสรู้เป็นพระเจ้าในอนาคตต่อไป เราอยากจะไปฝึกปฏิบัติธรรมแต่สามีไม่ให้ไปควรจะทําอย่างไรดีครับถ้าขออนุญาตเข้าไปเรื่อยๆด้วยเนี่ยบางวัก็อาจจะใจอ่อนก็นได้หรือเราการดีๆเช่นวันเกิดหรือ ว, วันอะไรสําคัญวันนี้วันเกิดขอไปปฏิบัติธรรมได้ไหมอะไรต้องขอไปเรื่อยๆถ้าวันมันก็อาจจะต้องใจอ่อนลงครับถ้าเรารู้ตัวว่ากําลังจะตายเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับ ก็ปล่อยวางยอมตา ย, ยอา ย, ยอ่าไปฝืนยอย่าไปยื้อยอ่าไปต่อสู้เพราสู้ยังมันก็ต้องตายอยู่ดีก็จะหนื่อยไปเปล่าจะทุกข์ไปเปล่าแต่ถ้าอยอมน้อใจก็จะเยนสงบตายยังมีความสุขถ้าเราคิดอยากตายอยู่แล้วถ้าเราไม่หนีเมื่อรู้ว่าจะตายถือเป็นการฆ่าตัวตายไหมครับถ้ามีเจตนาทาให้มันตายก็ฆ่าตัวตาย แต่ถ้ายังไม่มีเจตนาถึงไม่อยากจะตายอันนี้มันก็ยังไม่ไมถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะมันตายด้วยไม่ได้ตายจากการเจตนาของเรามันตายเพราะมันเกิดเหตุอย่างอืง่นทาำให้มันตายขึ้นมาถ้าฆ่าตัวตายมันต้องมีเจตเจตนาความตั้งใจแล้วมีการกระทําของเราเองด้วยเช่นกินยาหรือทำอะไรอย่างใดองน่ให้ร่า ง, าง alu, าากายตายนี่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย คนข้างบ้านชอบซื้อข้าวปลาอาหารมาให้เราใส่บาตรอย่างนี้เราได้บุญด้วยไหมครับก็อยู่ที่ว่าเขาให้เราอย่างไรถ้าเขาฝากนี่เราก็จะได้บุญส่วนที่ช่วยเหลือเขาใส่บาตรให้กับเขาแต่ถ้าเขาให้เราโดยที่ไม่บอกว่าให้เราไปทําอะไรแล้วเราคิดขึ้นมาเราเองว่าเราอยากจะไปใส่บาตรอย่างนี้เราก็จะได้บุญเต็มที่เลยแต่ถ้าเขาฝากให้ใส่ให้บาตรให้กับเขานี่เราไม่ได้บุญจากอาหาร แต่การเสียอาหารให้อาหารเราจะได้รับบุญจากการเป็นสะพานบุญเป็นจากการเป็นผู้รับใช้ใเขาช่วยเหลือเขาให้เขาได้ทําบุญในของเขาได้สําเร็จการที่เรามีทุกข์เพราะผมเป็นคนคิดมากเหมือนมีคนโฟกัสเราตลอดเวลาผมไม่สบายใจเลยผมจะแก้อย่างไรดีครับกพยายามฝึกสติบ่อยๆบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยเราก็จะหยุดควาคิดได้ เคยฝึกสมาธิแบบทีเอมครับทุกวันนี้ติดแบบนี้จะแก้อย่างไรครับเราก็ไม่รู้ว่าทีเอ็มขาใช้วิธีองไรจะแก้ก็วัดูลมหายใจแทนได้ไหมละ่ะวันนั่งก็ให้ดูลมหายใจที่ปลายจมูกหยเข้าหายใจเข้าอหายใจออกไปให้รู้เฉยๆไปทนหนึ่งอย่างวิธีห น, น, นึ่งก็นั่งแล้วให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆ มรณานุสติต้องฝึกอย่างไรครับก็คิดถึงความตายบ่อยๆครับคิดว่าหายใจเข้าแล้วไม่หาใจเขอกแล้วก็ตายหใจเอกแล้วไม่ายใจเข้าเราก็ลงตายสนใจว่าความตายนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีนอนไม่หลับเลยนอนสวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆได้ไหมครับเป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรครับไม่ได้บุญแต่ได้ได้การนอนหลับ เวลานั่งสมาธิแล้วเห็นกายเห็นจิตเห็นกายฟุกไปก็เห็นมันฟุกแต่ก็ไม่ไปยุ่งกับมันแต่ก็เห็นลมหายใจเข้าออกอันนี้เราเป็นผู้รู้หรือยังครับยังถ้ายังเห็นทั้งหลายอย่างนี้แสะงว่าใจยังไม่สงบถ้าเห็น <c oughs> แต่ความว่างไม่มีอะไรให้เหนือยอยู่แม้แต่ลมหายใจที่เราดูก็หายไปถึงยังไม่ว่าใจสงบจะวางใจอย่างไรกับความพัดพลากจากสิ่งที่มีครับ ่อมรับความจริงว่าเขาไปแล้วก็ไม่กลับมาแล้วเหมือนพระท่านมีตลบับสีอันที่ท่านเขียนข้อความไว้ในตลับไม่ต ล, ลับไม่ตื่นพื้นไม่มีไปไม่กลับอย่างนี้มันตันทำบุญให้ผู้ล่วงรับไปแล้วจะรับได้โดยต้องอนุโมทนาบุญจากผู้อุทิศไปให้หรือไม่ครับ ใช่ผู้ผู้ทำบุญผู้เจรส่งบุญไปต้องเป็นผู้อุทิตด้วยการอนุญาตภายในใ จ, จว่าขออุทิตบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วชื่อนั่นชื่อนี้ก็จะไปถึงผู้ที่ก็รอรับอยู่วเวลาไปทำบุญนั่งพับเพียบขัดสมาธิไม่ได้จึงขอนั่งเก้าอี้บาบไหมครับพาเข่าสองข้างครับไม่บาบนั่งในท่านไหนก็ได้ การอยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิตไม่คิดถึงอดีตและอนาคตจะต้องฝึกอย่างไรครับก็ฝึกในการมีคมํำว่าพุทโธพุทโธไว้ถ้าเราพุโทโธพุโทโธเราก็จะไม่คิดถึงอดีตไม่ได้ไม่คิดถึงอนาคตไม่ได้เราก็จะอยู่กับปัจจุบันหญิงหรือชายตอนที่ประเคนปัตาหารให้ประสงค์ใครได้บุญมากกว่ากันครับอยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าของอาหาร ถ้าเป็ น, น้าของทั้งสองก็ใครประเคนก็ได้เงินเหมือนกันเท่ากันญาติผู้ใหญ่ของเงินแต่เราไม่ให้เพราะกินเหล้าเราขาดความเมตตาหรือการเสียสละหรือไม่หรือควรทําอย่างไรครับก็อยู่ที่เหตุผลว่าเราไม่ให้เขาเพราะอะไรเพราะเราโงเงินหรือเปล่าแล้วก็ถ้าโง่เงินก็แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาแต่ถ้าเราเห็นว่ า, าไปน่าเป็นโทษของเขาอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นการ ห่วงเรื่องขาดความเมตตาเ้าที่เรามีความเมตตาเพราะเราเห็นว่าถ้าเขาเอาไปซื้อเหล้ากินมันเป็นพิษเป็นภัยกับเขามากกว่าเราก็เลยไม่ให้เขาไปอยู่ที่เหตุผลของการไม่ให้ของเราแต่ถ้าอยู่ที่เพราะว่าเราเสียดายเงินอย่างเงี้ยมันก็เป็นกิเลสเป็นความความความยึดติดในเงินทองของเราแล้วก็ขาดความเมตตาด้วย ไปทําสังกทานเชิงเมงให้วัดจัดอาหารให้แต่วัดลืมจัดเตรียมอาหารถวายแดแ่ถวายแต่สังกทานครับทําพิธีไม่สมบูรณ์อย่างนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้บุญส่วนที่เราเราถวายไปส่วนที่เรายังไม่ได้ถวายส่วนนั้นเราก็จะไม่ได้บุญถ้าเราไม่ได้ถวายอาหารเราก็ไม่ได้บุญส่วนของอาหารแต่ถ้าเราถวายสังกทานเราก็ได้บุญส่วนของสังกฐานไป สวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วแผ่บุญให้กับรายชื่อที่เราตั้งใจไว้แบบนี้ฝ่ายไหนจะได้บุญครับเขาอย่างที่พูดถึงว่าเรื่องการอุทิศบุญจากการนั่งสมาธิท่านพระอุตช้ามันสอนให้ทำนะเราคิดกันขึ้นมาเองถ้าอยาก อ, อุทิศบุญนี่ต้องทําบุญทําทานถ้าก็อุทิศบุญได้ส่วนยานั่งสมาธิแล้วอุทิศไปนี่ทําได้แต่จะได้หรือไม่ไม่รู้ผลที่รับจะรับได้หรือไม่ก็ไม่รู้ ละคนที่ให้ไปในด้บุญหรือยังก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยไม่ไม่มีการพูดถึงเรื่องการบุญทิศบุญในการนั่งสมาธิในการรักษาสิ่งมีแต่การทําบุญทําทานที่เราสามารถบุญทิศบุญได้เวลาใส่บาตรเราเห็นพระองค์นี้ท่านนั่งไม่เดินบินทั้งที่ร่างกายปกติเราเลยไปใส่องค์อื่นแบบนี้เราทําถูกไหมครับ แล้ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้จะใส่กับใครก็ได้ปัจจุบันกําลังฝึกสติปัญฐานแต่รู้สึกว่ายากกว่าการเข้าสมาธิของการพระอาจารย์แนะนําครับการเข้าสมาธิก็เป็นการฝึกสติปัญญานอ ย, าอย่างหนึ่งเหมือนกันคือสติปัญฐานนี้มีการฝึกอยู่3ขั้นเหมือนกันขั้นที่1คือการฝึกสติขั้นที่2ก็คือการเข้าสมาธิขั้นที่3าก็คือการเจริญปัญญานะครับ คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับบอกนิมนท์พระใกล้บ้านว่าให้แวะรับบิณฑบาต ท, ที่บ้านตอนเช้าผิดไหมครับพอดีเป็นทางที่ท่านเดินกลับจากบิณฑบาตจากตลาดพอดีครับไม่ผิดหรอกนิมนทร์ท่านได้คนิมนทเพียงแต่ว่านิมนท์ท่านนะเวลาท่านมาต้องมีของใส่บาตรให้ท่านก็แล้วกันให้ท่านเราก็เราเก้อแล้วบอกเลยว่านี่มันก็เป็นการโรหกหกเราลงได้ โอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมทางเฟซ649ครับทางยู668ทางทับ12ติ๊กตอ588รวมกัน 1,918 ท่านนะครับอาจารย์ครับวันนี้เริ่มอ่านคําถามแรกเวลา20นากา9นาทีพระอาจารย์ต่อไป142คําถามนะครับโอเคห ว, หวังว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในคืนนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากอกนน้อย ถ้านำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์มากขึ้นไปตามลำดับต่อไปการสนทนาทเปลอดคืนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาของท่านจงนำว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในถรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุถ้าไม่มีเหตุขันของกันใดก็คงจะได้พบกันอีกในอนนาทิตนาเช่นเคยวันนี้ลื่ถามวค่าวัน รอบที่เท่าไหร่ะนะครูบาไม่ได้พูดถึงวันนี้วันนี้สองร้อยหนึ่งแล้วสองร้อยหนึ่งนะครับยังไมหน่อยทั้งสองวัสองถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยก็ขอเจริญพรครับกับพระคุณพระอาจารย์ครับ